จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับสําหรับท่านที่มีลูกมีหลานนะครับก็คือโครงการยุวเนคขหรือว่ายุวะเนคข่ำมะสำหรับเด็กอายุสิบสี่ถึงสิบหกซึ่งจะเปิดรับกําลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับเด็กกําลังทยอยสมัครกันอยู่ลองดูคร่าวๆก่อนนะครับถ้าท่านมีลูกหลานอยากจะให้เข้าปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ในนี้แหละพวกพี่เลี้ยงเนี่ยเด็กสองร้อให้เส250คนจัดวันนี้จะกำลังจะเป็นครั้งที่สามแรต้องดกแรกๆมาก็กระเป๋าสวยทุกคน ชีวิตคือการก้าวเดินเรื่อเสริญคือความยิ่งใหญ่เมืชีวิตคือการก้าวไปตอนนี้ก็เปลี่ยนกระเป๋าใหม่นะครับเราเปลี่ยนกระเป๋าให้ใหม่เป็นรุ่น s e e t h r u นะหลุอวิตรงวิตรงกลับไปให้หมดเพราะเรา x ร a y หมดนะครับ iPad, iPhone, ส a l a p a เอาออกหมด m a c k b o l o g Bury เลยเนี่ยราดับไว้ทั้ดีได้ดี ตอ a ย้ำทำดีได้ดีสิ่งนี้ที่เป็นศรีรู้แล้วทำดีเข้าไปไหน็ไม่มีโงเ่เกิดเป็นคนทน ท, ทุก เอาเด็กๆมาอยู่รวมกัน250คนฝึกกรรมฐานให้ครอบคิดแล้วก็ออกไปทำโครงการจิตอาสาจริงๆนอกสถันที่เด็กออกมาทำโครงงานแล้วก็บอกว่าอยากจะทำอะไรทำอะไรช่วยเหลือสังคมยังไงเราก็สารฝันด้วยการพา้วกออกไปจริงๆนี่ก็ ระดับนี้คงไม่ใช่พี่เลี้ยงอะเรียป้าเลี้ยงนะใครมีรูปอะตัวขึ้นบ้างไหมครับตัวขยับ กิจกรรมพวกนี้เนี่ยนะครับที่เห็นเขาวาดลูกพวกเขาก็จะนั่งร้อมวงกันนะครับแล้วก็มีพรอ็บอยู่ตรงกลางเขาก็จะนั่งวาดเพล็บตามที่ตัวเองเห็นพร็บก็จะจัดเหมือนกับอย่างเงี้ยใครเห็นตรงไหนก็วาดพอวาดเจ็ดสิบห้านาทีก็ให้เวียนกระดาษกันไปเรื่อยๆขรอละครั้ ง, ร ง, งทีก็เวียนเวียนเวียนทีแรกก็นั่งดูของเพื่อนดูของเพื่อนก็คล้ายๆของเราแต่พอไกลๆไกลๆไกลๆเริ่มเลื่อนเข้ามา เขาเริ่มเอกใจมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนที่เขาเห็นพอยิ่งเลื่อนเขามามากขึ้ น, นเรื่อยมันเริ่มไม่ใช่ภาพที่เขาเห็นนะมันเป็นมุมอื่นจนกระทั่งหมุนครบรอบเราก็ยื่นหม่ให้เขาเขาก็บอกว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนอื่นเขาก็มีความคิดเห็นในมุมของเขาแล้วก็ถูกด้วยเมื่อก่อนเราคิดเสมอว่าความคิดของเราถูก แต่ตอนนี้ทุกๆคนเห็นในมุมของเธอเองแล้วถูกทุกคนเลยเด็กเยื่อเริ่มยอมรับความคิดของค น, ง ไ, นไม่นอัน น, น, โโนั้ น, รนครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็พาเขาออกไปทำโครงการข้างนอก จากที่ก็บอกว่าอยากจะไปสถานคนชาราไปเลี้ยงเด็กพิกเด็กกาพร้าหรือว่าไปช่วยสุนัขหมาแมวไปทำความสะอาดวัดเราก็จัดการให้จัดให้เขาก็ไม่รู้ครับเช้าวันลงขึ้นก็พี่เลี้ยงก็ช่วยกันพาออกไปอู่่่เไมมรร้วาื เด็กๆ ก, ก็ไป<ล>ช่วยกั น, น<า>ดูแล ไ, ออ ไ, หแไหไม เราไม่ได้สอนให้เด็กให้แต่เราพาเด็กไปให้เอาไห น, น, นจะาว้ า, า, า ท, ที่พันก ร, ริงบ้าง t ค่ไหนก็ไม่มีทางร อ, ร อ, อาัอฝันเป็นจริงสักครั้งรออยงก็ไม่รู้สกทไมองทงใ จ, จ ขาดสขาวเล ย, ดลยเด็กๆมาบอกผมบอกว่าอาจารย์ขี้เต็มเล ย, ยกยย็ส้สวมวัดีไมจเิย<า> มาําโคงราอาสาที่วัดสวยด้วยสาวงามค่ะซึ่งตรงนั้ที่เราจะไปทก็คือร้านห้องน้นะคะของวัดห้าสบค่ะคุณเบลค่ะจะดูมได้สาค่ะเด็กกลุ่มนี้ก็เอาอาหารเหลือๆนะคร้บไปใหสุนัขหมาแมวที่อดอยาก ัวนี้ก็นั่งวาดรูปไปให้เด็กกำพล้าแล้วก็เขียนข้อความให้กำลังใจครับก็เป็นเด็กๆนะอายุ1ิบสี่ถึงสบ ตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่ปีนี้เล่นตัวไม่ได้เลยปีก่อนๆเล่นตัวมากเลยนะครับเด็กๆสมัครกันเข้ามาเยอะมากต้องคัดออกเยอะเลยแต่ปีนี้วิ่งไล่ล่าเลย <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่น้ําท่วม เ, เด็กเลื่อนสอบ <c oughs> เด็กสอบก็โครงการมันเปิดตอนเด็กเลื่อนสอบเสร็จเลยตอนนี้จอยเลยนะครับวันที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ สิบถึงสิบสี่นะฮะสิบถึงผมยังจําไม่ได้เก่งนะจําได้สิบถึงสิบสี่นะครับใครสนใจก็เชิญนะครับปีนี้ทําท่าจะรับหมดเด็กต่างจังหวัดจะเป็นโอกาสมากเลยเดี๋ยวเผื่อการยนธรรมช่วยไปลงข่าวเพราะต่างจังหวัดไม่โดนน้ําท่วมนะเข้ามาได้แต่เด็กกรุงเทพที่โดนน้าท่วมโรงเรียนโดนเลื่อนสอบเป็นแถวเลยเด็กเลยสมัครไม่ได้ที่สมัครมาแล้วต้องถอนด้วย เพราะว่าตัวเองยังสอบไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรแค่ไหนก็แค่นั้นทุกคนบอกว่าคนเดียวก็สอนหลังจากนั้นโตขึ้นมาหน่อยครับยุ่พูดทมงานเยอะคนระับยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม ร่วมกับสำนัก ง, งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจัดโครงการตาในเพื่อนำเยาวชนทั่วประเทศเข้าสู่เส้นทางสัมมาทิฏฐิเฉลิมพระเกียรติ 84,000 ษามหาราชปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับเราจัดโครงการนี้มาเพื่อจะร่วมเฉลิมฉลอ ง, องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชมอายุครบ84ปีาระประกอบกับยกพธเราเนี่ย อายุครบ6กสิบปีเราก็ได้จะมีการเฉลิมฉลองเช่นกันนะครับเมื่อปีที่แล้วเราได้มีนโยบายในการที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเชิงรุกนะครับการที่เราเผยแพร่เชิงรุกนั้นเรามุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเยาวช น, นรสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับเขาทำให้เขาได้สนใจทำให้เขาได้ศึกษาเอกใจขึ้นมา มากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของวัตถุความสุขสนานเฮฮาแล้วในยุค ป, ปัจจุบันเป็นเรื่องของอับอายมุกซึ่งเป็นเรื่องที่ทํำลายชีวิตของคุ่นใหม่ไปเยอะแล้วนะครับดังนั้นเราเห็นว่าการบุญเชิงลบของเราเนี่ยจะสามารถนำธรรมะไปถึงเขาแล้วก็เยาวาชวนเนี่ยได้นำธรรมะศึกษาธรรมะแล้วนำธรรมะไปใช้ในชีวิตเพื่อให้ชีวิตเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีงามสาเหตุที่เราเลือก นักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่ในโครงการ8 4ด0ันสี่ร้อยศูนสำมาทิฏเนี่ยนะครับก็คือว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือกลุ่มที่อนาคตอีกไม่นานจะต้องออกไปทำงานนะครับสู่โลกของความเป็นจริงถึงตอนนั้นเขาจะออกนอกรั้วของการเรียนรู้ทั้งหมดแล้วถึงเวลาที่จะใช้ความรู้ทั้งหมดออกไปสู่การทำงานการเป็น บุคลากรของสังคมของประเทศเพราะฉะนั้นจะเป็นจุดรอยต่อเหมือนกับประตูด่านสุดท้ายที่เราจะให้ความรู้ได้แหละหลังจากนี้เขาจะเรียนรู้จักโลกเองถ้าเขาเข้าใจมีคุณธรรมที่วันนี้มีการพูดกันถึงเรื่องของวัตถุนิยมมากๆเรื่องการที่ไม่เชื่อคำดับามดีคำชั่วอีกแล้วนะครับเรือไม่เชื่อเรื่องของ ถ้าเราจะบอกว่ากฎแห่งกรรมอย่างนี้แทบจะกลายเป็นเรื่องของความล้าสมัยหรื อ, มองมงายไปซะแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นคําว่าทําดีๆทําชั่วๆทําไม่เราจึงบอกว่าทําดีๆทําชั่วๆเพราะว่าทําดีดีวินาทีต้องที่ทําเลยไม่ต้องรอได้ดีขึ้นไหนคนดีทดําดีคือดีวินาทีที่ทําคนชั่วทําชั่วชั่ววินาทีที่ทําไม่ได้รอได้ชั่วชาติงาน มันชั่ววินาทีที่ทำเพราะฉะ น, นั้นเด็กจะได้ไม่สับสนว่าทำไมทำดีไม่เห็นได้ดีคนทำชั่วทำไมยังได้ดีไม่มีคนทำชั่วชั่ววินาทีที่ทำไม่มีรอได้ชั่วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเข้าใจตรงนี้เข้าใจคำว่าดีไม่ดีกุศลองกุศลความถูกต้องความไม่ถูกต้องเ<ะ>ขาจะรู้เลยว่าการที่เขาควรจะกระทาในชีวิตประจำวันแล้วก็สิ่งที่จะไปกระทบ กับคนอื่นหรือจิตใจของคนอื่นเป็นอย่างไงในกระบวนการเรียนรู้ในสามชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่จะทําให้เด็กสะกิดใจเรื่องของตัวตนวันนี้ทุกๆคนทําอะไรเพื่อตัวเองเพื่อคนที่ตัวเองรักเพื่อหมู่กลุ่มของตัวเองแต่เราไม่เคยมองออกไปไกลกว่านั้นหรือคนคนอื่นในสังคมว่าเขาจะเจ็บปวดเขาจะได้รับคุณงามความดีหรือได้รับผลกระทบจากที่เราทําแค่ไหน ในสามชั่วโมงผมไม่ได้บอกว่าผมจะเปลี่ยนใครได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนานคตที่เขาจะรู้สึกแล้วก็สำนึกต่อสังคมในองค์รวมแล้วก็ต่อประเทศชาติต่อโลกของเราต่อทุกๆคนขอเชิญเยาวชนร่วมรับฟังการบรรยายปลุกตาในณักสถาบันรวมศึกษาทั่วประเทศ การนี้บรรยายไปแล้วสองแห่งครับสถาบันจุลาลงกรมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างชต่างๆให้ายเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันก็จะเหมือนกับเอาธรรมะมาสอนแทร่ให้เราเข้าใจธรรมะมากขึ้นให้เรารู้สึกว่าธรรมะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากว่าค่ะแล้วส่วนประโยชน์ที่ได้ในการฟังธรรมะครั้งนี้สําหรับหนูและเพื่อนเพื่อนอีกหลายคนหนูคิดว่าคือเหมือนกับ สติอะค่ะคือสติเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะมีสติอยู่ทุกเมื่อม่ว่าจะทำอะไรแล้วตัวอย่างเช่นการเดินเพราะว่าการเดินไปไหนอุบัติภอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้่ามากทั้งเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เนืรู้ตัวว่าวันนี้คุณอาจจะยังยืนอยู่ตรง น, นี้แต่พรุ่งนี้ไม่น่คุณ อาจจะไม่สามารถกินอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เพราะงั้นคุณควรจะทำทุกนาทีให้มันมีคุณค่าแ่ะทำความเยาว้คือแบบหนูทำมันจุขเออเนี่ยที่ผ่านมาเราใช้ชีวิ ต, ตหนูสิบตัมาสิบแปดีหนูใช้ชีวิตแบบหนูไม่เคยมา่นนักคิดว่าแบบเฮ้ยเราทำอย่างนู้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนกับเราเอาไปใช้ก็แบบ ในการเรียนก็ได้ค่ะแล้วก็ในชีวิตประจำวันพวบวัยเลยค่ะพี่ตาในคืออะไรหนูก็ไม่รู้จริงๆแล้วปกติแบบอตอนหนูนยังคุยกับเพื่อนกันอยู่เลยแบบมาฟังอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยก็มาแล้วทำให้รู้ว่าอ๋อตาในอ่ะมันก็คือสติสัมปชัญญะที่เราทุกคนมีตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแหะแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราใช้ชีวิตไปโดยแบบเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้ว่ า, ามันมีมันอยู่อ่ะค่ะแต่อาจารย์ก็ช่วยทํำแม่รู้สึกแบบเออมัน ให้เราอะรู้จักมันมากขึ้นแล้วเอามันมาใช้ในชีชวิตคของไทยกีฬาสำหรับหนูนะและ้วก็หนูก็ อาารท่านสอนให้มีสติอะค่ะอย่างเรื่องใกล้ตัวเลยก็คือเรื่องซื้อของอะไรแบบนี้ยคะะ่ะเพราะว่าเด็เป็นคนใช้จ่ายค่อนข้างเพ่มขึ้ยก็แบบตั้งแต่มาฟังวันนี้ก็ยิ่งหน่อยวลาซื้อของก็จะใช้สติมากขึ้นประหยัดตังค์เพราะว่ตาตังค์เราก็ยังหาไม่ได้ในตางของคุณพ่อคุณแม่ก่อนเข้ามาก็รู้สึกว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งเลยก็คืออาจารย์อาจารย์ที่ที่ที่ทเรียนวิชาเรื่องค่ะท่านแนะนําให้มาฟังแล้วก็ดูแบบสตาฟทุกคนแบบเยอะมากดูเป็นงานใหญ่ก็ มือนน่าสนใจแล้วก็มาฟังฟังดูก็อาจารย์ท่านนําเสนอได้น่าน่าน่าสนใจก็คือมีคลิปมีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยน่าเบื่อปกติทำมาก็จะน่าเบื่อพอฟังมาก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวพกติทำมานะคะางอาจารย์บท่านก็จะพูดถึงแก่นของตัวทำซึ่งเข้าใจยากนำเสนอแบบนี้ค่ะคือเหมือนกับเราไม่ได้เป็นต้องรู้ในเชิงวิชาการแต่ว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ก็น่าจะดีกว่าค่ะโดยส่วนตัวชอบ ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าตาไนแปลว่าอะไรอ่ะก็เหมือนเป็นเป็นด้วยความที่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็ยิ่งทําให้น่าสนใจมากขึ้นพอหลังจากฟังก็รู้สึกว่าตาไนก็เหมือนกับสติเหรือว่าจิตจำเนึกของเราที่จะเตืนตัวเองให้มีสติก่อนที่จะทำอะไรอ้วก็ให้หันมองดูตัวเองมากขึ้นก่อนที่จะโทษคนอื่นก็ทํางานให้ จากนั้นก็เป็นสถาบันพระจอมเก้าทนบุรีนะครับวิศวะทั้งนั้นเลยเข้าฟังเกือบสองพันคนมีทวัพกรในอ น, นาคตมหลาลัยต่อไปคือมหลาลัยเชียงใหม่แล้วก็ต่อไปแม่โจ้ต่อไปอีกมหิดลศินประกรณ์ ์ได้หลายอย่างมากมายจริงๆก็อย่างอย่างแรกก็คือเหมือนกับเราได้รู้จักธรรมะมากขึ้นได้ไดจ้จากชีวิตประจําวันว่าเราควรจะเออว่าเอามามาปรับเปลี่ยนยังไงให้เหมาะกับชีวิตขอ ง, ของเราในการดําเนินชีวิตนะครับความสุขกับความทุกข์เกิดจากใจของเราเองมากกว่าครับถ้าใจเราสุขเราก็สุขแต่ว่าถ้าใจเราทุกข์เราก็ทุกข์ครับในในส่วนของบุญบาปคือเหมือนกับ บางครั้งมันก็เป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้อะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทําความดีอย่างที่วิทยากรพูดก็ประมาณว่าถ้าเราทําความดีเราก็จะไ ด, ได้เรารู้สึกดีอะก็คือความดีที่เราทํานั่นเองทำความทาไม่ดีก็คือเราจะรู้สึกว่าไม่ดีในการทำครับตาในในความผิดของผมก็เหมือนประมาณว่ามันอยู่มันเป็นจิตใจของเราเองมากกว่ามันไม่ใช่ตาที่เราสามารถมองเห็นได้แต่คือเรารู้สึกได้ครับอาจารย์สนุกดีอาจารย์สามารถ ควบคุมควบคุมครูเขาร่วมได้อย่างอย่างดีมากเลยครับคือไม่มีการคุยกันแล้วก็แบบประมาณว่าอาจารย์มีความรู้อะไรแปลกๆเข้ามาแบบเหมือนเราเราเพิ่งเคยเจอไม่เคยรู้มาก่อนอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์เก่งมากครับน้องขอขอบคุณโครงการปลุกตาในครับคือเป็นโครงการที่ดีมากให้สามารถแบบให้วัยรุ่นสมัยใหม่ได้รู้ในการหลักธรรมะแล้วก็ก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนอกจากชีวิตประจำวันของเราเองคือเราสามารถ เข้ากับมันได้หรือเปล่าแค่นี้ก็พอใจแนละ้วพูดแค่นี้ยนะมันอยู่ในชีวิตของเราเองนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนการควบคุมนักศึกษาสองพันคนที่ไม่ได้สนใจจะฟังทำนะครับสามชั่วโมงไม่มีเสียงคุยไม่มีการลุกไม่มีการขยับทุกคนถูกตรึงเอาไว้ที่เก้าอี้โดยไม่ต้องมัดจุลานี่หนักเลยหกชั่วโมง เช้ากับบ่ายเข้าเท่าเดิมไม่มีการกลับไม่หรอกไม่ใช่ผมหรอกเพราะเขาให้คะแนน <c oughs> เรามาสวมดมท <c oughs> ตอนนี้โยพุทธก็ใช้นโยบายเชิงลุกแล้วนะครับตั้งป้อมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วต้องออก เดยนี้เราจะสวดปฏิจจสมุปาตนะครับแต่ในหนังสือไม่มีเราจะดูจากบนจอนะครับดูจากบนจอแล้วก็สวดตามเสียงพระสวด อวิชชาปัจยสังขาราสังขารปัจยวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปปัจยสลายตนังสลายตนปัจยาภาโสภาสปัจยาเวทนาเวทนาปัจยตันหาตันหาปัจจยาอุปาทา อนังอุปาฏานาปัจจยาพวโพวปาจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณงโสกปริเทวทุขโทมนาสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตสเกวราตสทุขขันธาสัสมุทโยโหติอันนี้เขาเรียกปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเดี๋ยวเราสวดสายดับนะครับ วิจยตะเววนาเสสวิราคานิโรธาสังคารนิโรโทสังคารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทนามรูปนิโรธาสลายตนานิโรโทสลายตนานิโรธาพาสานิโรโทพาสานิโรธาเวทนานิ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 เกวราสทุขขันธานิโรธโหตีก็เป็นสายดับนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าเมื่อกี่สวดอะไรไปนะครับอวิชชาปัจจะยาสังขาราก็คือว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัตอบายาตความโศกความคร่ำครวญโทมานัตและความคับแค้นใจก็มีพร้อมการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้จึงมีด้วยประการละะัชนีเพราะเหตุที่มีอวิชชานี่เอง นะครับจึงเกิดสังขารสังขารเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นนามรูปลงมาเรื่อยเอาละดูตรงนี้ก่อนนะครับหลายคนมาใหม่ก็เลยยิ่งยิ่งมาเข้าคอสนี้เพราะเห็นเขาเขียนว่าพื้นฐานนะนี่ไม่รู้ไปถึงไหนกันแล้วนะไม่รู้ฐานไหนก็ไม่เป็นไรคือเข้าคอสเดียวแล้วเลิกไปเลย รู้หมดแล้วที่เหลือไปปฏิบัติเองได้เลยไปหาพัดวัดป่าภาวนาเลยนะครับปีกวิเวกเลยอะอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังญญทีนี้ลองอ่านภาษาไทยตามนะครับรดูตรงสีแดงนะครับ ก็ตอนนี้ก็ให้รู้ไว้ตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับว่าการเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงนี้มีด้วยประการลาชะนี้แหละจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะย่อยเข้าไปสู ah uma, aan, ่การปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต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 โรโทเวทนานิโรธาตันหานิโรโทตันหานิโรธาอุปาทานานิโรโทอุปาทานานิโรธาภวานิโรโทภานิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาจามรังโสกะปริเทวะโทขโทมานสุปายาสานิโรชันติเอวเมตาสังเก กขข า, โโโารดับแห่งกองทุกทั้งปวงนี้จึงมีด้วยประการลาชนี้นะครับแสดงว่าทุกดับจากตรงนี้เองสายดับอาจจะไม่เข้าใจเลยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้ลงไปถึงว่าแล้วจริงๆคืออะไรเป็นยังไงในส่วนตรงนี้เนี่ย สำหรับนักปฏิบัติเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นภาพการพอที่จะไปเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ยังไงบ้างแต่ว่าเรามาดูความหมายกันทีละคำก่อนนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรท่องไปก็จะกลายเป็นท่องเป็นนกแก้วนกนกขุนทองแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีนี้จะให้รู้ว่าคืออะไรตรง จะขอยืมสื่อตัวหนึ่งของอที่เขาเผยแพร่กันนะครับมีคนส่งมาให้ซึ่งผมก็เห็นว่าน่าจะใช้ได้เลยก็คือน้องน้ำวุ้นนะครับถ้าเคยดูน้องน้ำวุ้นเป็นคลิปที่ส่งมาจากวัดนาปราโพธ์ น้ำวุ้นเหรออ่าน้ำวุ้นมีพระสูตรอ่าเชิญได้เลยมีทีมน้ำวุ้นมาด้วยนีย่โอ้โหอ่าเยาวชนประถุทมทำหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดค่ะหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะเดี๋ยวนะอ่าประถุทนทำหนึ่งร้อยสิบเจ็ดยั่ไง่าย ภิกษุทั้งหลายเดี๋ยวผมจะให้สังเกตนะครับน้องน้ำวุลไม่ได้เปิดหนังสืออ่านนะครับเธอพูดจากข้างในหมดเลยนะครับจะท่องหรือยังไงก็แล้วแต่นะ่ะแต่พูดเองหมดนะครับไม่มีการเปิดหนังสือกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมขอหยุดภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายผมว่าวันนี้ท่านเข้าใจสิ่งที่พรเจ้าตรัสรู้สึกไหมครับ เมื่อก่อนถ้าเป็นก่อนมากะท่านจะงงๆอะไรกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเธอทั้งหลายอ๋อมันเป็นขันแล้วเราไปยึดจริงๆกายนี้ไม่ใช่ของเรานะและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราเอื่นเราก็ไม่ใช่ของคนอื่นด้วยทิกษูทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัดใจปรุงแต่งขึ้น กายเนี่ยเป็นกรรมเก่าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เนี่ยมันที่ผมเล่าให้ฟังมันเกิดปฏิสนธิวิญญาณสิ่งที่สั่งสมมาจากอดีตทั้งหมดมาสร้างกายของท่านกายเนี่ยเป็นกรรมเก่านะกายเนี่ยเป็นกรรมเก่ามันถึงสร้างเกิดจากสังขารการปรุงแต่งขึ้นมาปรุงขึ้นมาจากวิญญาณสั่งสมแล้วก็มาสร้างเนี่ยนี่เป็นคำตราง ถ้าเป็นเมื่อก่อนท่านจะฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เอ๊ยชักรู้เรื่องไว้เพราะรู้ขันห้ารู้ว่าเออเรายึดเองนะถ้าเราไม่ยึดก็มันก็เป็นกาเก่าที่มันสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่ปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเห็นไหมครับรูปนามมีวิญญาณเข้ามาครองสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้พิกษุเนี่ยคือวิญญาณ ทั้งหลายในกรณีของกายนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทำไว้ในใจโดยแยกใครเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุติบาท น, นั้นเที่ยวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่ง น, นี้มีสิ่ง น, นี้จึงมี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 เพราะมีนาบูเป็นปัจจัยจริงมีสลายตนาเพราะมีสลายตนาเป็นปัจจัยจริงมีพัสสะ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 ความดับแห่งสลายตาจริงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจริงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจริงมีความดับแห่งตันหาเพราะมีความดับแห่งตันหาจริงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจริงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจริงมีความดับแห่งชาติ คพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชลาโมณานัสูการาลิเทวะทุกขทูมานัตอุปายาศาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกครั้งสิ่งนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลโอ้ยาวเหยียดเลยแม่ท่าอาจารย์คะจะอธิบายปฏิจจสมุดภาพอ๋ตอตรงนี้เหรอ อวิชชาคือความไม่รู้ปัจใจแปลว่าหเหตุสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือผู้รู้นามรูปคือนามสินนามธรรมรูปคือมหาวัชชาติสี่กลิ่นน้ําใจลมสลายตาะคืออายตาลภายนอกหกภายในหกภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภัทธรรมอารมภายในคือ ตาหูจมูกปีนกายใจอืฮัผัสสะคืออายตนะภายนองหกภายในหกแต่มีมีญาณรู้อืฮั้นเวนาคือความพอใจความเอ่อสุดทุกเวคะนะพอใจไม่พอใจเฉยนะพอใจไม่พอใจความวางเฉยอ่า ตัญหาคือความอยากอุปทานคือความยุตพบเปรียบเหมือนฝืนนาชาติเปรียบเหมือนเมล็ดข้าที่ตกลงในฝืนนาแล้วมีนันทีหมดเลยชะลาโมลาะคือชะลาคือแก่โรลาะคือตายสุขกับผิตเทวทุกขโท ม, มานะอุปยาศาสตร์แปลว่าความสุขความด่ำรวยราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทับแขนใจ สิยอดเยี่ยมมากสาธุครับแม่เด็กน้อยตัวนิดเดียวเอาละเราจะมาดูกันหน่อยที่น้องน้ำวุ้นอธิบายทีหลังต้องเชิญมาบรรยายคู่แลวน้ำน้าวุน้น อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อริยสัจสี่คำนี้มันเหมือนเพิ่งสวดไปว่าอะไรคือรู้อริยสัจนะครับสัมมาทิฏฐิเอออวิชชาคือความไม่รู้อริยรสัจสัมมาทิฏฐิคือความรู้อริยสัจถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิ สงสัยอวิชชาจะหายสังขารการปรงแต่งปรงแต่งขึ้นมาทางกายนะครับที่เมื่อกี้ผู้เจ้าตรัสว่ากายของเธอเป็นกรรมเก่าเมื่อเกิดความไม่รู้เมาชาติที่แล้วจึงเกิดการสั่งสมอะไรต่ออะไรเนี่ยเก็บไว้ในจิตวิญญาณแล้วก็มาเสริมสร้างตัวสร้างขึ้นมาใหม่ สมมติว่าในท้องแม่ก็ค่อยๆก่อสร้างขึ้นมาทึก็เป็นกําเก่าจากของที่สั่งสมไว้จะเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะทั้งหลายก็เกิดการกระทบเกิดการฝังตัวที่มีเจตนาแล้วก็มาค่อยๆสร้างกรรมเก่าเอก้ก็สร้างร่างใหม่ที่เรียกว่าไกอาชรูปขึ้นมา เกิดเป็นวจีสังขารวัณโนสังขาร น, นะครับอันนี้ก็เป็นหลังจากสร้างขึ้นมาแล้วก็มาสร้างเป็น เ, เกิดการปรุงแต่งทางวาจาทางทางทางใจขึ้นมาอีกวิญญาณแบ่งเป็นวิญญาณหกก็คือวิญญาณที่ไปรับรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะครับก็มีชื่อเรียกทางบาลีจักขูวิญญาณโสตะวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแล้วก็มนโนวิญญาณ พอท่านรู้ลมปับ๊บวิญญาณก็มาตั้งอาศัยอยู่ที่รูปนะครับแต่พอท่านได้ยินเสียงผมเนี่ยที่กําลังพูดอยู่เนี่ยก็เกิดเสียงกระทบหูมีโสตะวิญญาณเข้าไปแปรค่าเนะพราะฉะนั้นวิญญาณตัวเนี้ยตัวที่สามเนี่ยอยู่ที่ตัวที่สาม เ, เดี๋ยวมันวิ่งลงไปที่ผัดใสายอีกครั้งหนึ่งนะตอนที่ ร, ร, รับอารมณ์ แต่จะเห็นว่าวิญญาณตัวนี้มาจากไหนครับมาที่มีเหตุปัจจัยมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้แล้วก็เกิดการปรุงแต่งแล้วก็เกิดเป็นวิญญาณแสดงว่าวิญญาณตัวนี้เป็นวิญญาณที่จะคอยปรุงเป็นตัวตนขึ้นมาอยู่เรื่อยในการรับรู้เนี่ยเวลาใครพูดมาท่านก็จะดึงขึ้นมาเป็นกูเป็นของกูอยู่เรื่อยเริ่มต้นจากสมมติว่าเขาไม่ได้อย่างที่เล่าให้ฟังว่า ในศาลาวัดอ ะ, อะรของหลวงพ่อพยอมเนี้ยท่านเทเทศอยู่เทเสดอยู่ก็ลุกพรวดขึ้นมาเททั้งการด่ากูคนเดียวนะคนอื่นมีตั้งเยอะไม่ดา่าด่ากูไอ้อย่างนี้มันปรุงกูขึ้นมารับเลยท่านก็พูดมันไปเรื่อยนะนะะนี่ก็โดนหมดโดนหมดโดนอะไรโดนกูอะสิใช่ไมก็มันปรุงกูขึ้นมาเรื่อยไอ้วิญญาณก็รับรู้ก็ปุงขึ้นมาปรุงขึ้นมา เพราะวิญญาณนี่มันโง่ไงมาจากอวิชชาคือความไม่รู้มันก็ปรุงแต่งกูขึ้นมาก็เกิดเป็นอารมณ์จีเสร็จเลยทีนี้เกิดเป็นเวทนาเป็นตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะโศกกะปริเทวะทุกข์ก็เกิดเป็นอาหารอวิชชาต่อไปด้วยความโง่ไม่รู้เนี่ยโมโหขึ้นมาก็เกิดปฏิฆานุสยัยวนกลับก็ไปที่อวิชชาไปสร้างกําลังให้มันอีกเนี่ยคนยังก็วนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับ นามรูปคืออะไรเรารู้จักขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแต่เมื่อกี้เนี่ยวิญญาณอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงอันที่สามเนี่ยพอมาถึงอันที่สี่นามรูปเป็นขันห้าแต่ไม่มีวิญญาณเพราะวิญญาณไปก่อนแล้ววิญญาณเชื่อมันตั้งอาศัยอยู่ที่เพื่อนมันเกิดวิญญาณก่อนแล้วมันจึงก็ไปสร้างนามรูปทีหลังนะครับคือ รูปเวทนาสัญญาสังขารฟังไว้ก่อนใครเข้าใจตามทันก็ก็ตามไปเรื่อยๆใครไม่เข้าใจก็ฟังไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมีภาคปฏิบัติให้ดูทีนี้มาถึงอายตนะเมื่อกี้น้องน้ำวุนก็บอกไปแล้วนะครับอายตนะภายนอกหกภายในหกภายนอกภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพชภาพธรรมารมณ์ ภายในก็คือตาหูจมูกเิ็นกายใจยซึ่งคู่กันคู่กันรูปมากระทบตาก็อย่างที่เราเห็นอะอะไรอ่ะไก่ไก่ยางอย่างเนี้ยนะครับไก่ย่างเป็นอยนายทนะภายนอกตัวไก่ยางไม่ใช่นะต้องเป็นรูปนะไก่ย่างนั้นถูกปรุงเป็นบัญญัติไปแล้วนะครับไม่เราไม่ได้เห็นรูปเราเห็นไก่ยางแต่ถ้าเราเห็นรูปก็คือรูปแค่แสงแสง ผมถึงบอกว่าแสงแสงของมันเนี่ยที่กระทบมาเนี่ยมาเข้าสู่ตาเป็นอยนายทนะภายในทีนี้พอมีวิญญาณมาแปลค่าตรงนี้ปับ๊บมันจึงกลายเป็นผัดสับถ้ามันกระทบโดยไม่มีวิญญาณเนี่ยมันจะไม่เกิดการแปลค่าเลยมันจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่พอวิญญาณแปลค่าปับ๊บวิญญาณแปลปั๊บเป็นไก่ย่างกู่ชอบเลยท่านเห็นปับ๊บน้ํำลายไหลเลยทําไมอ่ะ นี่ไงเพราะวิญญาณตัวนี้มาจากอวิชชาไงตอนที่ท่านเห็นไก่ย่างผมถามว่าท่านสักแต่เห็นหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าสักแต่เห็นจะไม่เกิดอารมณ์ถูกไหมครับแต่นี่ไม่ใช่สักแต่เห็นเห็นพับปรุงเลยวิญญาณปรุงขึ้นมาเลยปรุงทํำไมมันถึงปรุงเพราะมันเป็นธาตุอวิชชาอยู่ตั้งแต่ต้นมันถูกอวิชชาสร้างขึ้นมาอ่าเนี่ยถ้าอย่างนี้เอ้ยอ่าพอไล่ทันกันบ้างละเอาภาคทฤษฎีบนจอก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่ข้างในกัน <c oughs> ไม่งั้นไม่เห็นรูท <c oughs> ไม่รู้มันวิ่งยังไงไอ้พวกนีนะ้เราจะเห็นรูทไม่เป็นไรละครับอาศัยปัญญาการตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราไม่ยีทางเห็นหรอกเพราะว่าพระเจ้าตัดเอาไว้เลยว่าปฏิจสมุบาเนี่ผู้ที่จะเห็นได้คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปโสดาบันก็เห็นได้แค่นามรูปลงมาก็ไม่ไม่สามารถเห็นถึงวิญญาณอสังขารขวิชาได้ สกิทาคารีก็เริ่มเห็นดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพระนาคามีก็เห็นดันขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงพระราหันก็ทำลายเลยนะครับทําลายเลยตัวสุดท้ายแล้วเข้าสู่ความเป็นพระราหันเลยก็ต้องอาศัยกําลังเนี่ยเดินทางกันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าเอ๊ะทำไมจุดไหนทําไมพระโสดาบันจึงเห็นแค่นามรูปทําไมจำเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูให้ครบวงจรก่อนแล้วทําไมพระเจ้าไม่พูดถึงคนที่กําลังเดินทางบ้างเลย น้อยใจเหมือนกันนะอะไรอะไรก็ให้แต่โสดาบันนะฮะเราก็เฮ้ยรู้ว่าเราเป็นไปแล้วก็ไม่รู้นะเราก็ปฏิบัติมาก็ยาวนานแล้วให้สงสัยเราจะเป็นโสดาบันนะถ้าเราเป็นนะคงไม่ใช่แล้วลนะ่ะเพราะโสดาบันเนี่ยละสักยะิี ท, ทีไปแล้วถ้าใครสงสัยว่าเอ้คูเป็นป่ะเนี่ยน่าเรียบร้อยเลยจบตั้งแต่คิดแล้วนะเอ้ย่ยางไงทั้งนั้นคิดก็ไม่ได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านมีวิธีมีเขาเรียกว่าแว่นส่องความเป็นโสาบัญให้ด้วยพระเจ้านี่ให้ไว้หมดนะครับให้ไว้หมดไม่ต้องให้ใครเพราะว่าผู้จ้าตัดเลยว่าพอหมดผู้จ้าแล้วเนี่ยจะไม่มีการพยากรณ์อีกคือผู้จ้าเขาเป็นสัพพัญยูท่านรู้เนี่ยใครเป็นโสาบัญชใครเป็นอะไรพระอรหันต์ท่านรู้หมดท่านก็บอกได้ทุกคนก็ฟังท่านตามนั้นแต่พอหมดท่านปุ๊บท่านไม่ให้สาวกพยากรณ์เลยทุกคนให้ดูแลตัวเองไม่ต้องไปสนใจเลย ผมต้งบอกว่าใครจะเป็นไม่จะเป็นอะไรหรอกจะไปเป็นอะไรมาเอาความเป็นออกกันอยู่แล้วจะมาเป็นอะไรเดินทางไปเรื่อยๆนะถึงเชียงใหม่เมื่อไหร่ก็รู้เองแหละนะครับหลายคนถามว่าถ้าเป็นพระราหันจะรู้ไหมเนี่ยจะให้ใครบอกดีถ้าเป็นพระราหันผมไม่ต้องให้ใครบอกแล้วนะจะไปห่วงอะไรถึงตอนนั้นนะเดินทางไปแล้วพ้นทุกรถลงก็เอาแล้วชั่วโมงเนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อให้ทุกลดเพื่อให้พ้นทุกทุกลดลงก็ใช้ได้แล้ว ก็ยังไม่อยอมผมบอกว่าเอาอนี้กินข้าวกว่าใครถามอยู่นั่น <c oughs> แล้วก็ทานข้าวเสร็จเขาก็ถามใหญ่ผมถามว่าอิ่มยังอิมนะ่มต้องให้ใครบอกไหมว่าอิม่ม <c oughs> โอเคไม่ถามละ <c oughs> จะได้ทานข้าวมั่งถามอยู่นั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นสามตัวรวมกันนะครับเรียกว่าผัดส พอผัดสะปั๊บก็เกิดเป็นเวทนาจะเห็นว่าเวทนาแบ่งเป็นสองส่วนมีทั้งเวทนาทางกายแล้วก็เวทนาทางใจอันนี้ก็ถนัดเพราะเห็นบ่อยแล้วตอนนั่งสมาธิพอเกิดเวทนาทางใจทางกาย เ, ยเอาละมันทํำท่าจะเกิดเวทนาทางใจด้วยมันทํำท่าจะผูกคนเป็นเรื่องเดียวกันละแต่หลายคนก็เริ่มอาจจะเริ่มเห็นแลบางทีพอเข้ามีสติระลึกทันมันเหมือนกับใจจะไม่ทรมานกับกายเวทนาทางกายก็ยังปวดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวๆพอเผลิก็อเอาอีกละ นะเหมือนกับเล่นชักกระเยอะกันอยู่ก็ชักกระเยอะอย่างนี้แหละนะครับทุกคนะมันก็ชักกระเยอะกันอย่างนี้แหละนะจนกว่ามันจะคนหนึ่งปล่อยเชือกเองมันก็กระเด็นไปแลนะ้แล้วก็ต่างคนต่างอยู่บ้างนะจะได้ไม่รบกวนกันทีนี้พอเวทนาทางทางใจก็แบ่งเป็นเวทนาสามคือมีสุขมีทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขหรือว่าอุเบกขาเวทนานี่แหละสุขทุกข์เนี่ยบางทีมันใช้วัดสภาวะธรรมมันไม่ค่อยชัดนะอย่างเช่น หรือถ้าเรานึกออกว่าเด็กผู้ชายที่ไปปิ๊งเด็กผู้หญิงเนะี่ยถ้าเราบอกว่าพอเกิดผัดสะปุ๊บเกิดความสุขมันเหมือนมันไม่ตรงนะแต่ถ้าเปลี่ยนความว่าสุขเป็นพอใจเนะี่ยเออใช่เขาเกิดความพอใจหรือชอบอ่าแล้วก็เลยเกิดเป็นตัญหาอยากได้เนี่ยความจริงมันก็ตัวนี้เป็นความรู้สึกข้างในพอเราเอามาเขียนเป็นคําบางทีมันไม่ตรงกับสภาวะแต่บางครั้งความรู้สึกสุขก็เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่พอใจ นะก็อันนี้ก็ดูเอาละกันนะครับดูเอาล้กันไม่ได้มีอะไรมากหรอกเรื่องของคําเรื่องของบัญญัติเนี่ยผมเน้นไปที่ตัวสภาวธรรมที่เป็นปรมามัตดมากกว่าเหมือนกับเอานิ้วจิ้มเกลือแล้วแต่จะพูดว่าอะไรก็ได้แต่ความรู้สึกเดียวกันคือเข็มจบมันสื่อได้ก็จบทีนี้พอเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตันหาอะไรคือตันหาตันหาก็แบ่งเป็นสามส่วน เพราะว่าเวลาเราในเชิงปฏิบัติในเชิงความรู้สึกเนี่ยก็คือความรู้สึกที่บีบคั้นเร่าร้อนเสียดแทงอย่างเงี้ยเป็นตัณหาเรารู้เลยอยากได้เสื้อตัวหนึง่งถังไม่ได้เอาไปอะไรเงี้ยแล้วก็อู้อยากได้มากมันก็บีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นอยากได้อย่างเงี้ยเป็นตัณหาเรารู้ก็เป็นการมาตัณหา <c oughs> อยากได้ในกามมาคุณนะครับ เพื่อมาตอบสนองประสาทสัมผัสทั้งห้านะเขาว่ามันก็คือตอบสนองตาที่เห็นนึกออกไหแล้วผมบอกแล้วว่าเราไม่ได้เห็นกร ะ, กระเป๋าไม่ได้เข้าไปอยู่ในตาหรอกแต่ว่าตาเราเนี่ยไปยึดนิมิตพอมีนิมิตปับ๊บไอ้วิญญาณมาแปลค่ามันโง่อยู่แล้วมันมันไปปรุงว่าปูชอบขึ้นมาก็เกิดเป็นเวทนาความพอใจขึ้นมาเลยอย่างเงี้ย ก็เกิดเป็นเวทนาความพอใจมันก็อยากได้เกิดเป็นการมาตันหาเพื่อจะตอบสนองไอ้ภาษาสัมผัสเมื่อกี้ที่บอกว่าชอบนั่นแหละหรือว่ามีคนมาลูบไล้อย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยแทนที่จะเห็นว่าก็แค่โผฏฐพะคือความรู้สึกที่มันเข้ามาถูกสัมผัสเนี่ยก็กลายเป็นไปปรุงไอ้ความสัมผัสเนี่ยว่าคนนั้นคนนี้มีตัวตนขึ้นมาหรือมันก็จึงเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ส่วนภวะตันหาคือความภาวะที่ อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะให้ใครได้ตำแหน่งรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีอย่างเนี้ยนะครับก็เกิดเป็นภวะนะคือความอยากจะเป็นความใคร่จะเป็นวิภพวัตันหาก็อันนี้พอไม่ชอบไม่พอใจก็ผลักออกมันมีดึงเข้ากับผลักออกเป็นตันหาทั้งนั้นแหละจะดึงเข้าจะผลักออกเนี่ยทุกทั้งนั้นตรงเนี้ยพอตันหาเกิดไม่ว่าอะไรละร้อนแล้วข้างในร้อนแล้วเป็นทุกข์แล้ว ไอตอนเวทนาเนี่ยพอใจไม่พอใจเนี่ยยังเป็นแค่อาการแต่พอนิดเดียวมันจะลามเลยนะครับจังหวะรอยต่อของตรงนี้เพราะฉะนั้นสติการะระลึกเนี่ยนะของ อ, อินทรีย์ที่ไปสัมผัสเนี่ยจะเห็นว่าพอผัสสะปั๊บเนี่ยนะถ้าสติไม่ทันจะเกิดเวทนาถ้าสติไม่ทันตอนนี้เสร็จแล้ววงจรจะหมุนเข้าตันหาอุปาทานไปเรื่อยเลยนะครับทุกเกิดเลย ถ้าหยุดในในลักษณะของทฤษฎีถ้าจะหยุดต้องหยุดอย่างเลท ส, สุดนะป้ายสุดท้ายคือเวทนาต้องหยุดให้ได้ถ้าหยุดไม่ได้หมุนละวงจรนี้หมุนละเพราะตันหาเป็นผู้สร้างพบปั๊บปั๊บปั๊บับับไปเลยทีนีนะ้ฟังอย่างนี้ไว้ก่อนเรื่องอุปาทานสี่เนี่ยผมจะเอาแค่ว่าพออยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรเนี่ยว่าเกิดอุปาทานแล้วก็คงพอเข้าใจละ เกิดอยากได้กระเป๋ายกตัวอย่างที่เราเห็นได้ดีกว่าเด็กผู้ชายปิ๊งเด็กผู้หญิงเกิดตันหาอยากได้ก็เป็นเจ้าของจึงบีบคั้นให้เขียนโน้ตเรามาดูตรงนี้ว่าเอาละตันหาพอเข้าใจอยากได้เด็กผู้หญิงมาเป็นของเป็นแฟนตัวเองจึงเขียนโน้ตแล้วตัด แ, แล้วอุปาทานมายัางไงลองเช็คดูถ้ามีเด็ก ผ, กผู้ชายอีกคนหนึ่งเดินมาถือดอกกุหลาบมายื่นให้เด็กผู้หญิงตัดหน้า แล้วก็กันหนุมกัหนิงคุยกันอย่างมีความแบบใกล้ชิดผมถามว่าเด็กคนที่ที่เราเห็นเนี่ยจะโกรธไหมโกรธโกรธได้ยังไงเขายังไม่ได้เซเยสเลยนี่ไงมันยึดเป็นของกูเรียบร้อยแล้วมันเกิดอุปาทานไปยึดเข้ามาแล้วโลกเนี้ยพอถึงตรงเนี้ยมันถึงยุ่งเนี่ย มันถึงยุ่งเพราะว่ากระบวนการทำงานตรงนี้ที่กิเลสทำงานเนี่ยไม่ถามเหตุผลมันอาศัยบีบคั้นอย่างเดียวชอบใครเขายังไม่ได้อะไรเลยอยากได้มันร้อนใจฉุดขมคืนอย่างนี้คือมันยึดเขาแล้วมันทนไม่ไหวมันเผาเล่าร้อนอยู่ในใจแล้วมันอย่างนี้ คือกระบวนการของปฏิยาสมุปาณิวัมันหมุนเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรกำกับเช่นสติเลยเนี่ยปล่อยให้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณเลยมันจะหยุดอะไรไม่ได้เลยนะครับมันจะวิ่งไปตลอดเลยพออุปทานแล้วก็เป็นภพภพแล้วก็เป็นชาติตอนนี้ความเกิดทั้งหมดไอของกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้พอหลุดมาก็รุกแล้วก็ไปจบที่ ความทุกข์อีกแล้วก็กลับมาเป็นอาหารวิชาสบายไปอ่ะในส่วนของทฤษฎีเอาแค่นี้เราจะมาดูในเชิญปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจกันคอร์สอื่นๆเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้พูดทฤษฎีเลยไปปฏิบัติเลยแต่นี้เห็นว่าพวกเราคือคอร์สนี้ไปเร็วมากะะปกติปฏิจจสมุปบาทนี่แทบจะไม่ทันแล้ว แต่โอ้โหนี่ยังเวลายังเหลือๆเลย <laughs> รบเบก้าเธอเพิ่งเป็นหนี้บัตรเครดิตตั้งเก้าร้อยดอลลาร์นะเธอไม่ต้องการใช้ผ้าพันคอหรอกอมก็น่าหน่ะสิใครจะต้องใช้ผ้าพันคอกะะันล่ะเอากางเกยงยินเก่าๆพันรอบคอมันก็อุ่นได้เหมือนกันแม่เธอก็ต้องทําอย่างนั้นเธอพูดถูกแม่ทําแน่ความหมายของผ้าพันคอผืนนี้ก็คือ มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิยามของความเป็นเธอจิตเป็นญาติเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมยยังยังยังพูดมาเรื่อยเรื่อยเมันจะทําให้ดวงตาเธอดูโตขึ้นนะสอิอืออืมันจะทําให้ทรงผมฉันดูดีมีราคาขึ้นนะใส่มันเข้าได้กับทุกอยา่างแต่ลงทุนที่คุ้มค่าแต่จะเดินเข้าไปสัมภาษณ์ที่เอลิฟได้อย่างมั่นใจเลยอย่างมั่นใจดน่างงนางนาง หิงสาวกับผ้าพันคอสีเขียวผ้า พ, พันคอสีเขียวค่ะราคาดีดีอสุดท้ายได้ด้วยค่ะราคา120เหรียญตักใจแบบไหน อ, อ่ะเอ่อนี่ค่ะเกินสด50เหรียญคุณลู้จักใบนี้30 <c oughs> ใบนี้10เหรียญค่ะ <c oughs> ใบนี้20 <c oughs> รักนะไม่ผ่านจริงเหรอคุณลองลองใหม่ได้ไหมไม่ผ่านจริงค่ะโอเคเอคุณช่ยวยเก็บของวะอ่าล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งดูไปสำหรับคนที่ไม่เคยดูเลยเพิ่งมาใหม่ก็อาจจะยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันเนี้ยนะเราจะมาดูด้วยกัน ทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นเราจะขยายจิตของรีเบคก้าขึ้นมาในเชิงของ <c oughs> รูปธรรมให้ท่านเห็นขออาสาสมัครนะครับหนึ่งสองสามสี่เชิญครับไม่ใช่อาสาสมัครเดี๋ยวบังคับพอออก คล้แตกต่างสลับที่กันอันนี้มีพัพันคอนะครับพัพันคอแต่ไม่ใช่สีเขียวเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อสติโลภโทสะแล้วก็โมหะ โลภโกรธหลงจำชื่อตัวเองไว้นะครับสติไม่มีปัญหาจำง่ายความโลภหรือโลภะนำให้เป็นอะไรครับเปรตแล้วเมวื่อวานเราดูแล้วนะครับพาไปเป็นโทสะสัตว์นรกนะครับโลภโกรธหลงโมหะเป็นเดราชานนะครับอันนี้ชื่อจิต คนนี้จิตนะครับจิตเนี่ยถ้าใครเรียนอภิธรรมก็จะรู้ว่าจิตจะต้องประกอบด้วยเจตสิกนะครับเกิดดับพร้อมกันนะจิตเกิดดับเร็วมากแสนโกดขณะหนึ่งลัดนิ้วมือนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีเจตสิกเข้าประกอบเจตสิกก็มีเยอะแยะนะครับแต่วันนี้เราจะเอาเจตสิกหลักๆเนี่ยกุศลกับฝังกุศลเนี่ยนะครับสติกับฝั่งกิเลสสาตัวนี่แหละเพราะฉะนั้นในทุกๆวินาทีหรือว่าทุกๆขณะจิต เก้าอ the ี้ตัวนี้ต้องมีใครสักคนนั่งถูกไหมครับอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้อยู่ไม่ได้ต้องมีใครสักคนนั่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินเรื่องไปก่อนแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ของจริงเพราะว่ายังไม่มีเจตสิกประกอบจิเอาละเราจะเริ่มต้นตรงนี้แหละผมจะถามว่ารีเบคก้าเดินอย่างนี้มีสติไหมครับ ไม่มีท่านเดินจงกรมมาแล้วท่านรู้แล้วท่านก็เคยเดินอย่างนี้มาก่อนท่านก็รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเธอหลงเดินถูกไหมครับถ้าหลงเดินก็ต้องประกอบด้วยอ่เชิญครับโมหานำส่งให้เป็นนิราชานถ้าเธอฌานฟอร์มได้เรียวไทม์ตอนนี้เธอจะเดินสีขาละนะแต่ลิเวก้าไม่รู้ตัวเธอก็ไม่ได้เดินสีขาหรอกแต่ถ้าเปลี่ยนได้เธอจะเริ่มเดินสี่ขา เราก็รู้แล้วว่าตอนนี้เธอเห็นภาพปันคอสีเขียวถูกไหมครับความจริงถ้าเธอเห็นภาพบันคอสีเขียวตอนนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของเธอคืออยากได้ความโลภอะความโลภนั่งครับเพราะฉะนั้นความโลภส่งผลให้ไปเป็นเปรตตอนนี้ตัวเธอจะสูงขึ้นนะแต่ว่า เราจะมาเชิงมาดูกันในเชิงปฏิจจสมุปบาทหน่อยภาพพันคอสีเขียวเป็นรูปผมบอกแล้วไม่ใช่ภาพพันคอมันวิ่งเข้าไปที่ตาลีเบกาแต่แสงที่กระทบมันส่งไปเป็นรูปไปกระทบที่ตาของลีเบกาอายตนาภายนอกกระทบอายตนาภายในเกิดการแปลค่าโดยจักขคูวิญญาณจักรคูวิญญาณนี่โง่มาจากกวิชาถูกไหมครับจึงแปลว่า ภาพอันคอนี้กูชอบแบบสเปคกูเลยพอาะมันแปลอย่างนี้ปั๊บก็เลยเกิดเป็นอารมณ์เลยเกิดเป็นความรู้สึกไม่ใช่เหเกิดเป็นความรู้สึกพอใจเมื่อเกิดความรู้สึกพอใจเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดอยากได้และอันนี้กรรมตตันหาเกิดเห็นไหมครับรูทติ้งนี่วิ่งอย่างผู้เจ้าตัดไว้จริงจริงพอถึงกรรมตตันหาตอนนี้เธอก็เริ่ม ร้อนใจแล้วผมถามว่าตอนนี้รีเบคก้าทุกไหมครับทุกเพราะว่าตันหาเกิดแล้วแต่เธอรู้ทุกไหมครับไม่รู้ใครพารีเบคก้าเข้ามาในร้านครับตันหาโลภะนั่นแหละตอนนี้ตัวเธอสูงมากแล้ว <Rebecca. S 1> เราได้ยินแล้วว่ารีเบคก้าเนี่ยข้างในมันพูดว่าเธอเพิ่งเป็นหนี้บัตรเครดิตตั้งเก้าร้อยดอลลาร์นะเธอไม่ต้องการใช้ผ้าบันคอนน้หรอกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับสติเชิญนั่งครับตอนนี้สติเข้าประกอบดูผลเป็นยังไงถ้เธอเพิ่งเป็นหนี้บัตรเครดิตตั้งเก้าร้อยดอลลาร์นะเธอไม่ต้องการใช้ผ้าบันค อ, หอเห็นไหมครับพอปัญญาเห็นไหมครับ รีเบก้ารู้ลมนี่ขนาดไม่ได้ศึกษามาเลยนะเพราะว่ามันกำลังต้องการจะสู้กับกิเลสสติมันก็เลยต้องเรียกเพื่อนม า, อาโอ้โหหายใจดังเหมือนกันเลยรีเบก้าเนี่ยครับเห็นไหมพอสติมาปัญญาเกิดเออเพิ่งเป็นนี่บัตรเครดิตไปดีกว่าหมุนตัวกลับเลยก็ น, นั่นนีสิ ใครจะต้องใช้ผ้าบันคอกันละ่ะเอาละ่ะเสียงนี้คือเสียงที่เริ่มทําให้หลงละ่ะที่แรกโทสอะอะโลภาเป็นคนนั่งเดี๋ยวรับโลพาเป็นคนนั่ ง, พ, นนนงพอโลพานั่งอยากได้เดินเข้ามาในร้านพอสติมาเบียดปั๊บโลพาก็เด็นออกเพราะว่าเจาเราบอกแล้วว่าจิตรับรู้ได้ทีละหนึ่งถ้ากุศลอกุศลก็เข้าไม่ได้ถ้าอกกุศลกุศลก็เสร็จเหมือนกันนี่แหละผมถึงบอกว่าท่านพยายาม มีสติรู้ลงไว้นะเพราะพวกนี้เขาจะได้นั่งไม่ได้ไม่งั้นเขาเวียนเทียนกันเลยแหละนะจะเห็นเลยคนนี้น้อยมากนะสติเนี่ยกว่าจะได้หย่อนลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนั่งให้คุ้มออกมาแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นพอโลภะทํางานไม่สําเร็จข้างบนสุดใครครับอวิชชาแล้วใครคืออวิชชาโมหะ น, นี่เลยพี่เองน้องเอ้ยนะอวิชชาเนี่ยแหละแสบสุด ในเมื่อตื้อกันดีๆไม่ได้ต้องทำให้หลงเอากางเกงยินเก่าๆพันรอบคอมันก็อุ่นได้เหมือนกันไม่ชวนตรงๆรงสังเกตดูแล้วไปสังเกตของท่านเอง <c oughs> <c oughs> เวลามันไปสังเกตของตัวเองแบบนี้เลย <c oughs> เขาถึงได้มีชื่อให้เปรียบเทียบให้จําง่า ย, ายให้เข้าใจโทสะเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับยักษ์ขมูขี่ดําๆเป็นตัวใหญ่ใหญ่ พวกยักษ์ขมูขี่มาชัดพวกนี้เวลาโกรมชัดเจนเนี่ยเห็นชัดส่วนโลภะเนี่ยสาวออฟฟิศสาวมั่นนะสาวมั่นถ้าสาวมั่นเกี่ยวอะไรกับโลภะมันจะชี้แจงเหตุผลว่าดีไม่ดียังไงนะสาวมั่นนะเธอควรจะซื้อนะตัวนี้ตัวนั้นแหมช่างช่างเหตุช่างผลจริงนะแต่เสร็จแล้วถ้าสติมาขวางกระเด้งออกไปเนี่ยโมหานี่เขาบอกว่านางสาวไทยปากหวานสุ ด, สด แต่คนประโยคคือปากหวานสุดๆมาเนียนๆเลยวันไหนเกิดสติมีกําลังดีนะเออวันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นมเน่ยมีเหน็ตไว้อีกนิดนึงนแม่เธอก็ต้องทําอย่างนั้นเน่เริ่มทําให้หลงล<ะ>้วูดถูกแม่ทําเนื้อพูดถูกละวเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตตอนนี้พูดถูกละความหมายของภาพพันคอผืนนี้ก็คือมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิยามของความเป็นเธอ นิยามของความเป็นเธอไอเรามาปฏิบัติจะเอาตัวกูออกแทบตายมันปั้นเอาปั้นเอาเนี่ยเห็นหหลายคนถามว่าอาจารย์โคกับหนังเรื่องนี้เหรอคือมีจริงๆนะก็ทํทำไมมันถึงถึงเอามาใช้ได้แบบนี้ผมว่าวันหนึ่งผมโดนแน่เพราะว่าตอนนี้สื่อตัวนี้ออกไปไกลมากเลยออกไปถึงอเมริกาหมดแล้วตอนนี้โดนแน่อีกไม่นานละ เข้าใจที่ฉันพูดไหมยังยังยังทุดมาเรื่อยๆเลยเลยมันจะทําให้ดวงตาเธอดูโ ต, โตขึ้นนะสิอือือมันจะทําให้ทรงผมเฉันดูดีมีราคาขึ้นถ้าใส่มันค่าได้กว่ทุกอยา่างตอนนี้มีสติไหมครับแล้วสังเกตไหมเวลาทําไมเวลาเราลองเสื้อลองกิ๊บลองอะไรต้องคอแบบนี้การลงทุนที่คุ้มค่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วนะเมื่อกี้เป็นหนี้อยู่เก้าร้อยดอลลาร์เนี่ยนะตอนนี้คุ้มค่าแล้วแต่จะดิงเข้าไปสม <ลง S 2> <ะ>ัครที่เอลิตได้อย่างมั่นใจเลยอย่างมั่นใจนางหงสั่งหงหญิงสาวกักบผ้าพันคอสีเขียวตอนนี้ก็เรียบร้อยโมหะปิดการขายเรียบร้อยนั่งคนเดียวเลยนะครับนั่งยาวเลยนี่ขนาดช็อตเดียวนะครับในเรื่องเนี้ยเราจะเห็นเลยว่า ฝั่งนี้เวียนกันนั่งเวียนกันลุกเลยทีนี้เอาล่ะสิชีวิตจริงถ้านนี่นั่งทีเดียวเนี่ยเสร็จแน่รู้แล้วว่าออกจากบ้านเที่ยวนี้อะไรเป็นที่หวังละภูมิเนี่ยชักเดือดร้อนละดูต่อไป <c oughs> อาการยืนอย่างนี้นี่มีสติไหมครับไม่มี นี่โมหะนั่งอยู่แล้วเห็นไหมนั่งข้ามเรื่องเลยปั๊สังเกตดูดีๆนะครับผมจะให้ข้อสังเกตสำหรับนักปฏิบัติเมื่อออกไปลองผวนคำว่าตันหาหน่ะตาหันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ตาหันจงรู้เลยว่าเรากำลังเสร็จมันละ ที่ทุกกบะฉันจะถามตัวเองว่าฉันต้องใช้มันที่ทุกกบะฉันจะถามตัวเองว่าฉันต้องใช้มันไหมอืมเริ่มมีความยับยั้งชั่งใจสตินั่งหน่อยครับสติมาแล้วใจเย็นใจเย็นใ จ, เ ย, นจเย็นได้แล้สติมาแล้ว<อ>ปิดระตูอีกทางแล้วค่ะทางนี้อันอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับโลภะนั่งเลยครับ รีเบคก้าก่อนที่จะเข้ามาก็บอกว่าที่ทุกกะบะฉันจะถามตัวเองว่าฉันต้องใช้มันไหมแล้วเธอเป็นคนมีสัจจะมากเท่าที่ผมดูคลิปมาเนี่ยเธอเป็นคนมีสัจจะเธอกําลังจะซื้อถุงมือเธอถามตัวเองว่าใช้มันนี่ฤดูหนาวแล้วฉันมีมือนี่ถุงมือแคชเมียร์อ่ะสตินั่งหน่อยครับเพราะว่ามันเริ่มเกิดความยับยั้งชั่งใจดูมีเหตุมีผลขึ้นนี่ถุงมือแคชเมียร์ฉันต้องใช้มัน เพราะนี่ฤดูหนาวแล้วฉันมีอืมันดูจะมีเหตุมีผลนะมันจึงทําให้ผมเข้าใจว่าทําไมผู้หญิงถึงมีรองเท้าเยอะมากอ๋อเพราะมันมีเท้านี่หว่าจะซื้อแค่นี้แหละจะจะซื้อถุมืคู่นี้คู่นี้เท่านั้นอไม่รู้บอกใครนะนี่คือลักษณะของผู้หญิงที่จะต้องหาความชอบรำในการซื้อ จากคนข้างๆไปสังเกตดูได้ซื้อดีมซื้อดีวะคนข้างอุ้ยสวยนะคุณเออจริงเหรอไม่ต้องห่วงเงินเธอเธอซื้อไปเถอะทีนี้ก็เดินหนีเลยเข้มแข็แงและมัตติยะปะ๊บผมบอกแล้วถ้าตาหันแต่ว่าลุกเลยโลภานั่งเลย เห็นไงเห็นไหมขนาดเรายังไม่เห็นเลยว่ามันเห็นอะไรเนี่ยเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องคว้าแน่เพราะตันหามาแล้วตามันหันแล้วโอ๊ยพระเจ้าไม่รู้เกี่ยวอะไรกับพระเจ้าผมคุยกับคนในศาสนาคริสต์เขาบอกว่า <c oughs> ข้อหนึ่งของบัญญัติจิตประการคืออย่าเอ่ยนามพระผู้เป็นมอีอย่าเอ่ยนามพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่จําเป็น <c oughs> ผมเห็นฝรั่งเรียกกันไม่หยุดเลย <c oughs> จะต้องใช้มันไหมฉันต้องใช้เมอนหมวยอือันนี้สติแน่นอนครับรวมกําลังเต็มที่เลยทั้งสังสารวัรนี้มากันหมดฉันต้องใช้มันไหมนั่นวางเลยเห็นไหมเพราสติมาปัญญาต้องเกิดวางเลยถูกต้องแล้วเออก็ไม่ได้ใช้อจะไปซื้อทําไมวางดิเวทกาทำถูกแล้ว พทษนะคะฉันหยิบก่อนอ่าฉันหยิบก่อนซะละอ่าโลภานั่งเลยเนี่ยเห็นไหมได้นั่งทีละนิดอ่ะเอาอีกแล้วเราพาในเห็นไหมตอนนี้เป็นเปลิดแล้วนะคือมันสลับภูมิเอาลองถามว่าที่พระเจ้าตรัสว่ามนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่น้อยเหลือเกินเชื่อยังเชื่อยังมนุษย์มาคไปแล้วใชว่ฉันมองแล้วแต่ฉันเห็นก่อนอ่ะเห็นก่อนขึ้นมาอีกแล้วอ่าละเรา ก, ากลากับมาที่ปฏิจจสมุปาณิดีนึง เมื่อกี้เธอเดินอยู่ทวนท่าเหมือนว่าจะมีสตินจะกลับแล้วซื้อถุงมือคู่เดียวเนี่ยจะกลับแล้วแล้วก็ตันหามาปับ๊บตาหาันเลยแสดงว่าพอเกิดผัดสะตั้งเวทนาเกิดอย่างรวดเร็วเลยพอใจปับ๊บแล้วเกิดตันหาเลยเนึกออกไหมครับพอตันหาปับ๊บเธอมันถึงตันหาแล้วเห็นไหมแล้วเธอเกิดมาฉันต้องใช้มันไหมตอนนั้นสติเอาไม่อยู่ละเพราะเลยละ เลยจุดที่สติเอาอยู่แล้วเธอไม่รู้ด้วยว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัหานะมันวิ่งเลยไปอุปาทานพบหมดแล้วคือจุดที่สติเข้าไปทำงานเนี่ยช้าเกินไปแล้วจะเช็คได้ไงว่าอุปาทานนี่ไงพอเพื่อนมาหยิบปั๊บขึ้นมานะฮีทขึ้นเลยนี่มันยึดเข้าไปแล้วว่าเป็นบูธของกูไปแล้วไงเริ่มยือ้อละไม่เอาละคือไม่ฟังละไม่มีเหตุผลละ ของกูกูจะเอามีอะไรไม่ล่ะพูดกันตรงๆก็คือนเนี่ยเริ่มละเริ่มแบบเอาทุกอย่างลจะจะคิคู่นี้นะคะอ้าวคุณปล่อยเงินไปแล้วนี่มันมาคืนมาแล้วมันจะอืมน่าอย่างนี้ไม่ใช่โลภะละ <c oughs> อ่ะโทรศัพท์นั่งเลยนะตอนนี้เป็นสัตว์นรกแล้วนะที่เคยเก็บตัวนี่เ อ, ย อ, ยอยาเงิน้อยหน่อยดูดฉันมานี่ละดูดแบบดูดสาวเบอรี่แล้วลอะคะ่ะ เห็นไหมครับเสียงหัวเราะของสัตว์นรกรอยยิ้มแบบนี้อย่าเข้าใจผิดผมทั้งหมดอย่าเข้าใจผิดหลายคนเฮ้ยทำไมพวกเขาดูมีความสุขสุขตายะอะไรเงี้ยนะใจร้อนอย่างกับไฟ่เ สตินั่งนะครับจะงงงงคือกลับมาถึงบ้านแล้วที่ซื้อมาได้ยังไงแยเนี่ยนะหลายคนก็เคยเป็นปบ่อยๆเอผีเข้าเปล่าเนี่ยก็ผีเข้านั่ น, นแห ล, ละอลเอาละแค่นี้เราได้เห็นอะไรบางอย่างละได้นั่งแป๊บเดียวถูกไหมครับแต่เนื้อเรื่องนี้คือโลภะนั่งมากสุดโมเนี่ยเรียกว่าสูสีแต่ว่า มีสัตว์นรกเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาภูมิของรีเบคก้ามาขยายออกเอาแค่ไม่กี่วินาทีที่เราดูกันเนี่ยมนุษย์หรือว่าภูมิที่เป็นสุขติคงมีอยู่นิดนิดน เ, นเปรตมีหลบไปสัตว์นรกอยู่ช่วงหนึ่งช่วงยาวเลยแล้วนอกนั้นเดราชาญเยอะเลยนี่แล้วจะเอาที่ไหนมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอะนี่ตอนสั้นๆเอง ก้ามีสติไหมครับลองสังเกตอาการนะครับผัดสักเกิดกิเลสพยายามจะชักจูงนะครับแต่ว่าเวทนาเป็นอุเบกขาและมีสติประกอบจึงไม่เกิด ผักดันเป็นตันหาเธอยังยิ้มออกอยู่เลยไม่ได้อยากได้ไม่ได้ทุกข์เหมือนจะบอกว่าก็ฉันก็มีแล้วนี่แล้วไม่เกิดอุปาทานไม่มีอะไรยึดเดินไปเฉย ถ้าเป็นนักปฏิบัติจะหลุดตอนนี้หลุดตอนนี้แหละที่สติหมดละเมื่อกี้ยังมีต้องฉลองกันหน่อยเรียบร้อยเสร็จมันพี่นีนะครับเพราะฉะนั้นออขอบคุณเชิญครับเวลาเราปฏิบัติ ก็ถ้าเราอยากจะแยกแยะเป็นชดชดเป็นขณะขณะเราก็ลองไล่ปฏิจจสมุปาทดูนะครับนักปฏิบัติก็เพียงเข้าใจในเรื่องของผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานเนี่ยเหลือเฟือแล้วนะครับจะได้เห็นการกระทบเป็นคู่คู่ในช่วงแรกท่านจะเห็นการกระทบเป็นคู่คู่อย่างเช่นสมมุติว่ากำลังหิวหิวเห็นกับข้าว ปั๊บเกิดความชอบหรือว่าเห็นอีกตอนหนึ่งก็คืออยากกินเนี่ยจะเห็นปับป๊บปั๊ป๊อย่างเงี้ยเห็นง่ายนะครับหรือถ้าไม่เห็นตอนผัดสะอยู่ๆปับ๊บโอ้โหมันชอบเลยปั๊บเดียวเองวบไวมากนะพอชอบปับ๊บมีสติก็ อ, อาจจะเห็นว่าอืมมันก็ไม่ถึงกับอยากกินไม่อยากกินอะไรทั้งปัเฉยๆสังเกตไปอย่างเนี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน แล้วก็เห็นว่ามันก็ของเกิดเกิดดับๆั บ, บทีนี้มีอยู่คำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือเรามาดูความจริงแล้วเราจะเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นอย่างเช่นเรานั่งนั่งอยู่เราคิดถึงคนที่เราเกิดอยู่ๆแวะถึงคนที่เราไม่ชอบแล้วเราก็จะเกิดอารมณ์ไม่พอใจขึนมาเดี๋ยวๆพอไปรู้ลมปั๊บมันก็ดับ เห็นไหครับว่ามันแค่ ว, วุนามธรรมา ท, ที่ไม่มีตัวตนเลยผมมักจะบอกว่าอย่างเงี้ยยังมีลมนะยังมาโดนกันมั่งแต่ผมถามว่าไอความรู้สึกที่แล้วก็ไปนั่งโกโรธนั่งแค้นเนี่ยไม่มีนะเป็นนามธรรมา ท, ที่ไม่มีตัวตนเลยนะ ถ้าจะบอกว่าเหมือนอากาศในลูกโป่งที่เจาะแล้วในลูกโป่งไม่มีอะไรนั้นยังพอมีอากาศแต่นี่ไม่มีนะเรายึดอะไรอะ่ะพระเจ้าถึงได้เอ่ยปากแล้วท่านตัดมาเลยว่าคนเนี่ยนะยึดกายที่ยังดีกว่าเพราะกายยังพอไอทําอย่างเงี้ยมันยังมีอะไรที่เห็นเห็นเนี่ยยังเป็นหลงมันบ้างเนี่ยเอ่ยยังพอมีเหตุผลแต่ทุกคน บ้าไปกับนมามธรรมที่ไม่มีตัวตนเลยอ่ะเจ้ว่าทุกอยู่ไหนอ่ะจะว่าสุขมันอยู่ไหนเหรอที่บอกเหมือนเกลียวขึ้นเหมือนพยับแดดไอ้กเกลียวขึ้นพยับแดดยังพอเห็นนะแต่อันี่อยู่ไหนเหรอนั่งคิดเองปรุงเองสร้างเองทุกเองสุขเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะผมเคยจี้กับนักศึกษาแบบนี้ไม่จนกระทั่งเขา ก็จริงเนอะมันทุกได้ยังไงเนี่ยแล้วไปเชื่อใครเนี่ยมันชักงงๆเหมือนกันแต่พอออกไปมันก็ทุกข์เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ไรหรอกอย่างน้อยเปนสกิตรึเปล่างั้นสิ่งที่ท่านเห็นเมื่อกี้ก็นักศสาเห็นแล้วท่านก็บอกโอ้เขาพึ่งรู้ตัวเนี่ยว่าเขาใช้เงินพ่อแม่ไปเยอะทีหลังเขาจะปรับปรุงตั ว, วะก็ยังดีนะได้พูดบ้าง ถึงจะทำไม่ได้แต่ก็ค่อยๆได้ขยับขึ้นเดี๋ยวเราจะเบรกก่อนนะครับให้ท่านไปพักข้างน้ำแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เข้าม า, าเชิญ จะสมุบาตจนพอจะเห็นคร่าวๆนะครับเลยนึกออกเดี๋ยวเราลองมาดูปฏิจจสัมบัติดินพันกันปฏิจจสมุบาตในเวอร์ชั่นของยุบพุทธดีกว่าแล้วก็ของพระอาจารย์อำนาจโอภาโสะครับร่วมกันทําอ่ะงั้นช่วยปิดไฟนะครับจะได้เห็นชัด ลองเช็คตัวเองนะลองดูสิว่าพอจะเข้าใจ นส่วนใหญ่ไม่รู้ที่มาของความทุกข์จึงคิดว่าทุกข์มาจากผู้อื่นกระทำบางคนก็คิดว่าทุกข์มาจากเราทำเอง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 ภาตต่างๆที่รวมตัวอยู่ด้วยกันไม่คงที่ความรับรู้ที่เกิดขึ้นในช่องว่างรู้สึกถึงการจะแตกสลายซึ่งเกิดความต้องการที่จะเติมเต็มเกิดความรู้สึกขัดควางเกิดความไม่รู้ที่แฝงตัวมา มันมาก่อตัวกันเข้าเป็นโครงสร้างของรหัส d ี a อที่จะสมานตัวให้ทรงตัวอยู่ได้จึงพยายามที่จะรักษาสถานภาพนั้นด้วยการแสวงหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มแก้ปัญหาความพร่องของท่าสีเกิดสภาวะการยิ่งล้นของนมามธรรมซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเท่าไราในโลกนี้ เป็นสภาวะที่พร้อมจะก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ไม่รู้เท่าทันซึ่งต่างป่าไม่มีตัวตนได้ตนเองอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดความคิดปุ่มแต่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 การรับรู้ทำงานจึงเกิดการกระทบระหว่างภายในหลายรอบเพะการกระทบจึงทําให้เกิดอารมณ์สุดทุกข์และเฉยากได้ อารมณ์ที่ทุกข์ก็อยากปักสายเพราะความอยากจึงเข้าไปยึดกับสิ่งที่ต้องการเพราะยึดกับสิ่งที่ต้องการจึงลงมือก่อพฤติกรรม ก่อพฤติกรรมดีหรือเลวจึงเกิดคำว่าเราดีหรือเลวขึ้นในใจแต่สิ่งนันก็เสื่อมจะลายไปตามเยตุปั ไม่รู้ก็หลงปุงแต่งเวรษาสิ่งเหล่านั้นวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่า12อาการแห่งทุกข์ที่คนส่วนใหญ่ยังยิดติดยังหาทางออกไม่พบและประสบกับปัญหาเพิ่มขึ้นความไม่เข้าใจเหตุปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในสายใหญ่ของธรรมชาติ หากเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะไม่สงสัยต่ออดีตปัจจุบันอนาคตว่าเรามีหรือไม่อย่างไรเพราะสิ่งต่างๆอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นจึงคงที่อยู่ไม่ได้เรียกว่าทุกขลักษณะ แต่ sind, ist ist ่ไมมีการเคลื่อนไหวในกระแสของธรรมชาตินั้นมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อกันอย่างละเอียดซับซ้อนดื่ยปัจจัยอันหลากหลาย กระทบกระทัท่งเชื่อมต่อกันเป็นแพรรัศมีสู่ผลอันหลากหลายเมื่อมีสติตามสังเกตการทํางานของกายและใจจะสามารถใช้เหตุปัจจัยอย่างถูกวิธีเพราะไม่มีใครมีปัสสะทางอายตนะต่าง เมื่อเกิดการกระทบรู้เท่าทันใจก็ปกติเรียกว่าสิ่งมิสุดจิตจึงตั้งมั่นไม่ถูกครอบงำด้วยอกุศลเรียกว่าจิตเตอมมิสุดจึงเกิดความเห็นถูกของรูปงามต่างก่าเป็นจริงเรียกว่าทิฏฐิมิสุด รูปแหลนาจนหายสงสัยเรียกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิสามารถเลือกบุมมองอย่างถูกวิธีของสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนาเรียกว่ามัคขามัคขาอย่างัศนะวิสุทธิเป็นลักษณะความเกิดดับในขันห้า ยอมรับความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลางเรียกว่าปฏิปทายาทัศนวิสุขจิตจึงไม่ปนเปื้อนด้วยตัณหาและการหลงคิดปรุงแตง่งทวนเข้าสู่กระแสธรรมชาติเดิมที่บริสุทธิ์ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วคือความสุขหรือรานิพาเรียกว่ายาทัศนวิสุด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 คนส่วนใหญ่ไม่รู้ที่มาของความทุกข์จึงคิดว่าทุกมาจากผู้อื่นกระทาบางคนก็คิดว่าทุกมาจากทําไมหน้าถึงมีหลายหน้ามาต่อกัน <c oughs> เพราะว่าแต่ละอนูเป็นอิสระจากกันหมดเราไปคิดว่ามันเป็นเราเฉยๆ วันแรกเนี่ยที่บอกว่าขันห้าไม่ใช่เราก็ว่าขันห้าไม่ใช่เราดูไปดูไปตาก็ไม่ใช่เราหูก็ไม่ใช่เราจมูกลิ้นอะไรทุกอย่างไม่ใช่เราทุกอย่างทํางานกันเองหมดหาารมณ์ได้เองหมดมันทําท่าจะไม่ใช่แค่ไม่ใช่เรามันจะเป็นคนอื่นไปด้วยซ้ำ ทีนี้พอเห็นว่าตาไม่ใช่เราหูไม่ใช่เราแยกย่อยลงไปอีกมันแตกออกแตกออกแต่ละอนุมันมมก็ไม่ใช่เราแต่ละโมเลกุลก็ไม่ใช่เราเขาทํางานด้วยรูปนามมาพยายามรักษาสมดุลซึ่งกันและกันสมดุลแต่ละจุดสมมติว่ามีสิบล้านเซลล์ที่อยู่เนี่ยมันพยายามสร้างสมดุลในแต่ละจุดผมเรียกสิ่งพวกนี้ว่าผมเรียกเองเนี่ยเรียกออร์บต ขันท่าใหญ่เนี่ยเขาเรียกกระทรวงมหาดไทยนะครับอปตอก็มีสิทธิ์จัดการเองได้ <c oughs> ใครป่วยใครเป็นอะไรที่จุดๆนั้นมันก็พยายามที่จะสู้ตายนะครับพยายามจะดิ้นหนีดิ้นสู้จะรักษาสภาพมันให้ได้สภาพอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่ามันมันพยายามจะรักษาตัวเองให้เข้าสู่สมดุลด้วยความที่มันไม่เสถียรมันก็จึงเป็นสภาพทุกข์ เป็นสภาพทุกข์ที่ไม่มีบกทุกข์ถ้าใครเห็นความไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราถอดถอนเข้าไปทุกจุดทุกจุดทุกจุดลงไปถึงอนูเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างเลยถ้าเขาทำงานกันเองตามเหตุปัจจัยของเขาใจเย็เป็นอนัตตาว่างจากความหมายความเป็นตัวตนกันหมดเราเห็นว่าอู้สภาพมันเป็นทุกขงังอ น, นิจจังก็เพราะแบบนี้แหละเพราะทุกคนพยายามจะรักษาสภาพ เแต่มีวิญญาณเข้ามาครองสิ่งเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้ววิญญาณก็ดันโง่ไปอยู่ภายใต้อวิชชาเราทำเอง ชีวิตคืออะไรล่ะชีวิตก็คือรูปนามพยายามจะรักษาสภาพของมันทีนี้พอถึงตรงนี้เราจะดูมุมไหนก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าไปถึงตรงนี้ให้ได้หนึ่งก็คือจะดูความเป็นาธาตุก็ได้จะเห็นว่าดินน้ําไฟลมเนี่ยพยายามที่จะรักษาสภาพของมันเองให้อยู่ในสภาพสมดุลใครที่ศึกษาเรื่องาธาตุเรื่องอาหารมาก็จะเข้าใจง่ายนะครับ ก็าอาจจะเหมาะในการดูเรื่องธาตุเพราะเมื่อไหรธ า, าตุมันเสียสมดุลธาตุไฟมากเกินไปธาตุดินน้อยเกินไปมันก็จะเกิดการเจ็บป่วยก็ใช้ธาตุรักษาธาตุ า, าตรักษาสมดุลเพราะฉะนั้นวันไหนที่ธาตุไฟมันมากเกินไปก็เกิดความร้อนวูบวับผู้ว บ, วบอย่างนี้จะดูมุมไหนก็ได้เพราะมันว่างจากตัวตนเท่านั้นถึงได้บอกว่าพระเจ้าท่านเป็นผู้ที่ตาดีเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มี คนตาบอดทั้งหลายไม่เห็นก็พิสูจน์เข้าไปสิอย่างพิสูจน์ก็พิสูจน์ใช้อริยมรรคเมลงแปดเข้าไปพิสูจน์ไปเห็นเห็นแล้วเห็นแจ่มก็ตอดถอนเองนะครับชีวิตคืออะไรเราจะปฏิบัติต่อชีวิตยอย่างถูกวิธีความจริงในธรรมชาติของจักรวาลมีแค่รูปและนาม ขาะรูปคือมวลสารต่างๆที่บนรอบตัวเองในที่ว่างเวลาดูจอเนี่ยอย่าให้มันเป็นเนื้อเรื่องในจอนะครับผมแนะนำดึงมันกลับเข้ามาที่รูปนามของเราที่พระอาจารย์ทากับโยพุตเนี่ยสิ่งนี้ทั้งหมดอยู่ในตัวของท่านทุกๆคนนะครับรูปนามทุกๆคน ไม่ใช่เนื้อเรื่องบนจอนะไม่ใช่หนังนะนี่คือทุกๆคนเป็นอย่างนี้นะครับดึงกลับเข้ามาภาวนาดูข้างในอาศัยช่องทางที่ครูบาอาจารย์ไปถึงแล้วลองวันนี้มันไม่เห็นหรอกแต่ว่าพยายามใช้ช่องที่ท่านพยายามดึงไปจูงไปเนี่ยเข้ามาสังเกตใครอาจจะบังเอะบังแวบอะไรขึ้นมาก็ถือเป็นโชคแล้ว จึงเกิดสนามพลังของนามธรรมอยู่รอบรูปธรรมนั้นสมมุติเรียกว่าจิตคือธรรมชาติแห่งการรับรู้เพราะธาตาุต่างๆที่รวมตัวอยู่ด้วยกันไม่คงที่ความรับรู้ที่เกิดขึ้นในช่องว่างรู้สึกถึงการจะแตกสลายนี่จะทธาตาุต่างๆเนี้ กระบวนการของแต่ละเซลล์แต่ละโมเลกุลเนี่ยมันไม่คงที่มันไม่เสถียรมันมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกันตลอดเวลาเพื่อจะรักษาสมดุลของมันสภาพเนี่ยเป็นทุกขลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์เริ่มจากอนิจจังมันไม่เที่ยมนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทุกเซลล์ทุกโมเลกุลไม่เที่ยงเพราะมันกําลังพยายามรักษาสมดุลมันทุกวินาทีถ้ามันมีตัวตนมันเหนื่อยมากเลยเพื่อจะรักษาไว้เนี่ยเที่มันเกิดเป็นอนิจจังก็เพราะอย่างนี้ มันจึงเป็นสภาพทุกข์แต่ไม่ได้มีผู้ทุกข์หรอกแต่พอเราไปยึดมันเราเลยทุกข์เพราะเราไปยึดสภาพ ท, ทุกข์ที่มันทุกข์อยู่แล้วซึ่งเกิดความต้องการที่จะเติมเต็มเกิดความรู้สึกขัดขวางด้วยการที่มันดึงเข้าผลักออกแต่ละโมเลกุลเนี่ยเชื่อไหมว่าพลังงานเล็กๆ เ, เนี่ยตอนที่มันดึงเข้าตอนที่มันผลักออกวันหนึ่งมันถูก สร้างขึ้นมาจนเป็นเรื่องเป็นราวดึงเข้าเรียกอะไรนะโลโผักผลักออกเรียกอะไรโทสะด้วยความไม่รู้ของแต่ละเซลเนี่ยคือโมหะจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันโตพอที่เข้ามาควบคุมแทนแนี่คือกำเนิดของรูปนะมามเกิดความไม่รู้ที่แฝงตัวมา เมื่อมันมาก่อตัวกันเข้าเป็นโครงสร้างของรหัส DNA ที่จะสมานตัวให้ทรงตัวอยู่ได้พอมันมก่อร่างสร้างตัวมันกเริ่มต้นปฏิสนธิที่พระเจ้าก็ตัดว่ากายของเธอเป็นกรรมเก่าจากการที่ฝังเอาไว้ในจิตพอมาเกิดใหม่มันก็เริ่มค่อยๆสร้างกายยชรูปขึ้นมาเล็กๆ วันนี้นักวิทยาศาสตร์ถึงเจอว่ามันเริ่มท้นซ่องขึ้นมาจาก d n เอแถวแรกถูกสร้างออกมาจากจิตจึงเกิดความบกพร่องตั้งแต่ชาติที่แล้วอย่างผมเนี่ยหูแหว่งผมก็ไม่รู้ว่าผมทำอะไรมาเหมือนกันก็มาเกิดความบกพร่องจากชาติที่แล้วสมมติว่าผมไปกลิกหูวัวเนี่ยตาผมเห็นเกิดเจตนาในการกรีดมันก็จาฝังเข้าไป ตอนมันสร้างกายผมตอนอยู่ในท้องแม่คู้มก็แบ่งเราถึงมาเรียกมันว่ากฎแห่งกรรมเพราะเป็นสิ่งที่ขันเก่าทำเอาไว้ถูกถ่ายทอดมาทางวิญญาณมีกรรมเป็นเผ่าพันผมก็ไม่ได้โทษในประเสริฐเก่าเป็นคนทำขันมันโง่ทำก็ส่งต่อมา ถ้าสมมติว่าผมโง่ไปยึดขันนี้เป็นเราผมก็ทุกข์ไกับไอหูแหวงใช่ไหมหูแหว่งก็เรื่องของหูไม่ใช่เรื่องผมจริงพยายามที่จะรักษาสถานภาพนั้นด้วยการแสวงหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มแก้ปัญหาความพร่องของท่าสีเกิดสภาวะการดิ้นหล่นของนามาธรรมซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเท่าไราในโูกนี้ แต่สเปิร์มออกมามันก็วิ่งแข่งกันไปตรุดนักวิทยาศาสตร์ถึงสงสัยว่าทำไมสเปิร์มมันถึงรูป้เป้าหมายทําไมมันถึงพยายามแข่งสู้ตายเพื่อจะเป็นตัวที่ไปเจาะไข่ให้ได้ทุกๆุกคนเป็นอิสระจากกันสเปิร์มคือหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิ ต, ห น, วตหนึ่งรูปนามที่มันสู้ตายพวกเราออกมาจากท้องแม่ก็สู้ตายเพื่อจะรักษาชีวิตตั้งแต่ระดับอนูจนถึงปรมมน ปรมมูจนกระทั่งถึงรูปนามใหญ่จนถึงโลกจนถึงจักรวาลมาจากกาเนิดเดียวกันหมดเมื่อรู้ภายในจะรู้รูระดับขันห้า ก, ก็จะลงไปรู้ถึงระดับอนูระดับปรัมมนูเมื่อเห็นระดับปรมมนูจะขยายออกจนถึงระดับจักรวาลทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยสิ่ัง ไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิมแม้แต่ขนาดเดียวไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิมแม้แต่ขนาดเดียวเพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนตลอดเวลาขันตึงเปลี่ยนตลอดวันตแต่ล้โมเลกุลถึงเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะเหตุปัจจัยภายรอบของมันเปลี่ยนตลอดนี่คือเป็นสภาพอนิจจ์คือเกิดเป็นสภาพอนิจจ์ด้วยความที่มันเปลี่ยนตลอดเวลาเหตุปัจจัยรอบๆบตัวมันเปลี่ยนตลอดนี่คือเป็นสภาพทุกข์ แต่โดยความจริงแต่ละเซลล์แต่ละโมเลกุลไม่ที่มีผู้ทุกข์แต่เราโง่ไปยึดทั้งหมดขึ้นมาเราจึงกลายเป็นผู้ทุกข์เองด้วยความไม่รู้จริงๆเราไปยึดขันนี้ทุกอนูมาเป็นของเราทั้งทั้งที่แต่ละอนูไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราไปขี้ตูเราไปขโมยธรรมชาติมาเองแล้วเราก็ไปสร้างเหตุเกิดให้ขันมันเกิด เมื่อไหรเราถอดถอนมันเมื่อ น, นั้นขันจะบริสุทธิ์แล้วเสร็จแล้วก็หมดแรงไปแล้วก็จบจึงเป็นสภาวะที่พร้อมจะก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ม่รู้ท้งหลังซึ่งก่างป่าไม่มีตัวตนได้ตนเองอาศัยหศเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ต่างๆไม่มีตัวตนเลยนะครับด้วยตนเองอาศัยเหตุปัจจัยทั้งหมดที่เรียกว่าอิทัิปัจจิตาเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทั้งโลกทั้งจักรวาลใช้อยู่ในกฎอิทัิปัจจิตาทั้งหมดเลยเพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดความคิดปุ้มเต็ง เพราะเกิดความคิดปรุงแต่งจึงรับรู้ถึงความรู้สึกตอนเห็นภาพไก่ย่างด้วยความไม่รู้เดิมที่ฝังมาเป็นเขาเรียกว่าราคานุสัยคืออนุสัยคือความเคยชินในการที่มีราคะกับไก่ย่างมา ก, าก่อนเมื่อการ เห <inate> <panels> ็นไก่ย่างมันมีการปรุงแต่งของเดิมมันจึงเกิดเป็นอารมณ์เมื่อเกิดเป็นอารมณ์ไก่ย่างจึงมีตัวตนทันทีผมบอกว่าทีแรกมันเป็นแค่แสงสีไก่ย่างจึงกล า, ลายเป็นมีตัวตนจากนั้นผัดสะเกิดเป็นเวทนาอะไรจากต้นต้นต่อของมันก็คือตรงนี้ทีนี้พอมันเกิดความชอบท่านไปนั่งดูความชอบ ความชอบเกิดขึ้นความชอบดับไปตันหาเกิดขึ้นตันหาดับไปพวกนี้เขาเรียกว่าอาการของจิตผมถึงบอกว่ามันเหมือนกับฟองก๊าซไข่เน่าในาใน้ำเน่าโผล่ขึ้นมาปุดปุดปุดปุดถ้านั่งเฝ้าอยู่แต่อาการของจิตไม่มีวันที่มันจะหมดเพราะตัวต้นเหตุไม่ถูกชำระเลย นึกออกไหมครับถ้าท่านนั่งดูจะเอาแต่ปัญญาเกิดดับไม่สำเร็จเหมือนคนหนึ่งที่มาถามผมว่านั่งเล่นเกมวิดีโอเกมมาสองปีเห็นอาการเกิดดับของจิตมาตลอดแล้วเมื่อไหร่จะหมดแล้วเมื่อไหร่จะทำต้องทำยังไงต่อก็ทาเมื่อไหร่คุณยังกระตุ้นเหตุเกิดอยู่ด้วยการเล่นเกมแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดแล้วพระเจ้าเวลาสอนอะไรท่านสอนให้ละเหตุแล้วผลจะดับ จัดการกับเหตุแล้วผลจะดับแต่นี่คุณจะจัดการกับผลเหรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการจัดการกับเหตุทํำยังไงใช้มรรคมีองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิแล้วพอละกามละอกุศลเห็นไหมครับตั้งแต่สองจุดหนึ่งละกามละอกุศลจะเป็นการละเหตุเกิดถ้าเขาเล่นเกมเขาต้องลากเกมละถ้าเขาไม่ละเกมเขาจะต้องให้ปัญญาสูงกว่าเดิมห้าเท่า พอเห็นการเกิดดับแล้วก็จะต้องเห็นลามต่อไปอีกถ้าปัญญาของเขาแก่กล้าพอต้องเห็นลามต่อไปเลยว่ามีแต่ของเกิดดับมีแต่ความสุขเกิดดับความทุกข์เกิดดับเพราะฉะนั้นพอปล่อยความยึดถือในสุขในทุกข์มันจะปล่อยความนึกถือในเกมด้วยเพราะเกมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากทําของที่ไร้สาระขึ้นมาแล้วเรานั่งติดของไร้สาระอยู่เพราะฉะนั้นถ้าปัญญามันแก่กล้าขนาดนี้มันจะปลดมันจะปล่อยมันจะปล่อยที่สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเกมเป็นคนก่อ แล้วมันจะรู้ปัญญาจะรู้แทงตลอดต่อไปว่าเพราะฉะนั้นจะไปทำกระตุ้นไอ้นีขึ้นมาทำไมไม่งั้นฟองก๊าซมันจะไม่ยอมหยุดมันก็ปล่อยอยู่ดีหรือไม่ก็ใช้วิธีเนคขม่าตามที่ผูดเจ้าบอกเอาออกเลยก็ใช้ได้สองวิธีจะขึ้นทางปลายก็คือใช้ปัญญาแทงเข้าไปแต่ว่าต้องใช้ปัญญาที่แก่กล้ามากกับการที่เลิกไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปอดทนเอาวิธีเบสิก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 เกิดการกระทบระหว่างภายในภายนอคือรูปนามเนี่ยพอถึงตรงเนี้ยถ้าเราดูจากชาติแรกๆของมันเนี่ยการพัฒนาเพื่อมันจะรักษาชีวิตของมันให้ได้จําไว้เลยนะครับรูปนามทุกอย่างเนี่ยรักษาคือพอมันมีวิญญาณคลองศินเป็นอย่างพวกเราเนี่ยมันจะรักษาชีวิตแต่รูปนามทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอะไรทั้งหลายเนี่ยนามเนิมเนี่ยมันรักษาสภาพของมันมันพยายามจะรักษาสภาพของมันเพราะฉะนั้นมันจึงเกิด สภาพที่มันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาทีนี้เมื่อถึงวันที่มันจะพยายามจะรักษาสภาพของมันในการที่จะเป็นรูปนามทํา่ยทำยังไงมันถึงจะมีชีวิตต่อไปได้มันต้องพยายามสร้างการสัมผัสกับโลกภายนอกให้ได้เพราะทั้งหมดนี่มันอยู่ภายในจากเซลล์เซลล์หนึ่งค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งไปถึงจุดจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยมันจะต่อเชื่อมกับโลกได้มันจึงสร้างปัญจาสาขาขึ้นมา ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะออกไปสัมผัสกับโลกพอทันทีที่มันสร้างเสร็จสร้างขึ้นมาได้ปับ๊บไอ้ของเดิมที่มีอยู่โลภะโทสะโมหะที่พยายามจะรักษาชีวิตของมันพอมันสัมผัสปั้งมันก็เริ่มข่คว้ า, วาแล้วก็ไล่ล่าเพื่อจะเอาชีวิตมันรอดตั้งแต่ชาติแรกที่มันเริ่มต้นมันสร้างกรรมทันที แล้วมันก็ติดนิสัยมาถึงชาตินี้ที่สู้ตายกูต้องดึงเข้ามาเป็นของกูให้มากที่สุดตั้งแต่ชาติแรกจนชาตินี้ไม่มีเปลี่ยนสัญาติยานเดิมเพราะการกระทบจึงทำให้เกิดอารมณ์ทุกข์ทุกข์และเฉย อารมณ์ที่สุดกระทบกับโลกภายนอกก็เกิดเป็นสามอารมณ์ทุกข์แล้วก็เฉยๆตรงนี้เป็นอาการของมันมีผลมาจากต้นทางเกืออวิชาสังขารวิญญาณสร้างนามรูปสร้างสลายตนณนเะชื่อมต่อกับโลกพอผัด ส, สะปั้งวิญญาณเข้ามาแปกค่าเริ่มเป็นกูเลยกูเอาตัวรอดอย่างเดียวกูอยากได้กูจะกินกูจะเอา จากวันนั้นถึงวันนี้ละทีนี้จะทํำยังไงเพราะสัญชาตญาณเนี่ยมันสั่งสมมาคือมันยอมทําทั้งกุศลอกุศลเป็นความเคยชินวันนี้มาฝึกสติเพื่ออะไรสังเกตดูนะครับพอกาลังจะตอบสนองแบบอัตโนมัติเราจะเราจะเอาสติเข้าไปยัดตรงกลางให้มันหยุดก่อนถึงเวลานั้นเราจะมีเวลาส ก, กรีนเพื่อเอาเอากุศลออกกุศลเอาไว้สติทําหน้าที่นี้นะครับสังเกตดู ดิเบก้ากำลังซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อสติเข้าไปยัดตรงกลางเหมือนกับเสียบไม่ให้มันมันเดินทางต่อเนื่องเข้าไปยัดตรงกลางก่อนมันจะหยุดพอหยุดปับ๊บพวกเราเอากุศลเอาออกเอากุศลใส่พูะเจ้าบอกละกุศลใช่จเจริญกุศลนี่ไงเอากุศลเข้าไปแทนช่วงนี้แล้วก็ปล่อยมันเดินต่อไปพอเกิดแล้วปับ๊บเอากุศลเอ า, เอาสติเข้าไปเสียบ มันเสียบให้มันหยุดก่อนแล้วก็เอาอากุศลออกแล้วก็ใส่สกุศลเข้าไปแทนถ้าเราทำอยู่อย่างนี้จากหนึ่งวันเป็นหนึ่งปีหนึ่งปีเป็นอากุศลจะเริ่มเจือจางอ่ะเราจะเริ่มเปลี่ยนสันดานที่เรียกเป็นอนุสัยของเนี่ยความเคยคุ้นเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนคนๆนั้นจะเริ่มเปลี่ยนอากุศลจะเริ่มหายไปกุศลจะเข้ามากขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะสติคอยหยุดหยุดหยุดหยุดยดยดด้วยโดยมีสัมปชัญญะคอยสังเกต เบาๆ เ, เพื่อประคองไปได้เรื่อยๆอย่างนี้แล้วลองนึกภาพาวันหนึ่งสติทำงานจนสมบูรณ์ที่สุดคือเอาอักขุลออกได้จนหมดแต่มันไม่มีวันนั้นโดยทฤษฎีใช่แต่ในทางปฏิบัติไม่ใช่ถึงจุดๆหนึ่งที่มันเบาบางเต็มทีแล้วมันใช้วิธีปล่อยขันเลย แก้ไขปัญหามาได้แค่นี้มันเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่สร้างปัญหามากแล้วปล่อยขันทิ้มเลยจบกันที่เหลือเป็นเรื่องของขันนะไม่มีทั้งต้นโผล่ไม่มีทั้งกระจกเงาแล้วใครจะทุกข์ล่ะขันมีสภาพทุกข์ก็ทุกไปเองไม่มีผู้ทุกข์กลับไปที่เดิมก็อยากได้ อารม์ที่ทุกข์ก็อยากปักใส่เพราะความอยากจึงเข้าประยุกธ์กับสิ่งที่ต้องการเพราะยึดกับสิ่งที่ต้องการจรึงลงมือก่อพฤติกรรม เมื่อก่อพฤติกรรมดีหรือเลวจึงเกิดคำว่าเราดีหรือเลวขึ้นในใจแต่สิ่งก็เสื่อมจะหายไปเข้าใจไหมที่เมื่อกี้บอกว่าท่านบอกว่าจึงก่อให้เกิดดีหรือเลวขึ้นมา ผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องสมัยที่ผมยังไม่ได้เข้ามาสนใจในการปฏิบัติมีบริษัทเพราะว่ามีผู้บริหารท่านหนึ่งเขาถามผมว่าสมัยที่อาจารย์ยังไม่ปฏิบัติเลยเ น, นี่ยวันเนี้ยถ้าย้อนหลังกลับไปมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นของเก่าบ้างไหมผมบอกว่าถ้าให้ผมเทียบดูตอนที่ผมเป็นมีบริษัทเนี่ย มันจะมีลูกน้องขโมยของในบริษัทตอนนั้นก็ประชุมกันว่าจะไล่ออกทุกคนก็โกรธมากเพราะขโมยของจากบริษัทออกไปแล้วก็ประชุมกันว่าจะเอาอยัางไงทุกคนโกรธที่มันขโมยผมก็บอกว่าจะไปโกรธมันทำไมมันขโมยเพราะบ้านมันจน จะเอาเงินไปช่วยพ่อแม่มันผู้บริหารคนอื่นก็หันมาหาผมแล้วก็บอกว่าแล้วไงมันเลยทําได้ไงผมบอกว่าผมไม่ได้พูดผมเพียงแต่สงสัยว่าไปโกรธมันทําไมเพราะว่ามันทําก็เพราะว่าบ้านมันจนจะไล่ก็ไล่มันออกไปดี ไม่ได้มีดีหรือเลวไม่มีมันทําเพราะมีเหตุแต่กติกาของสังคมถ้าแบบนี้รับไม่ได้เอาออกไปไม่ได้เกี่ยวกับดีหรือเลวหรือว่าถ้าใครอ่านหนังสือสีเรทเล่มหนึ่งที่เข้ามาสัมภาษณ์ผมเรื่องนิพพานคราบอกอาจารย์เล่าเหตุการณ์อะไรฟังสั่อ่านได้ไหมหได้ ผมขับรถผมถูกมอเตอร์ไซค์ชนโครมข้างหลังคนที่นั่งข้างๆผมก็ถามว่าไม่ลงไปดูเหรอเจางเลยเพราะผมเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยพังเลยแล้วเขาก็เข็นมอเตอร์ไซค์เข้าข้างทางผมว่าไม่เป็นไรเขาขับไปเขาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ผิดนะเขาชนท้ายเราผมก็บอกว่า เราเ บ, าเาเ บ, เาเบ ร, เทเรเบกรบทันแต่เขาเบรกไม่ทันแต่เขาเบรกไม่ทันนั่นแหละแต่เขาชนท้ายเราเขาผิดบอกว่าเราเบรกทันแต่เขาเบรกไม่ทันคนที่บอกว่าผิดมันเป็นเรื่องของสังคมที่บัญญัติขึ้นมาแต่เราเบรกทันเขาเบรกไม่ทันแค่นั้นแหละ ลงไปดูไฟก็แตกเยอะก็ถามว่าแล้วผมรู้สึกยังไงผมก็บอกว่าไฟมันแตกอย่าให้ใจแตกเอายิ่งยุ่ง ม, มันใหญ่นะก็ขับรถกันต่อไปคนข้างๆก็ถาม ว, าว่าผมก็ถามเขาว่าที่เรานั่งคุยก็นั่งคุยไปเรื่อยๆระหว่างทางผมก็ถามว่าตอนนี้ไฟแตกไหม เขาบอกว่าไฟแตกผมบอกว่าในใจอ่ไฟแตกไหมในใจไม่มีไฟแตกแล้วทุกไหมไม่ทุกไฟแตกทําไมไม่ทุกเพราะไฟข้างในมันไม่แตกแต่ถ้าไฟข้างในมันแตกมันทุกข้างนอกมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่ยึดมันจะทุกไหมล่ะแต่ไฟของเราก็พเพราะมันเป็นของเราถึงทุกไง ถ้ามันไม่เป็นของเราแล้วจะไม่ซ่อมเหรอใครบอกอะซ่อมดิไม่ใช่ของเราก็ซ่อมนี่ไงมันถึงพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องไงก็ไม่ใช่ของเราแล้วเปไม่ใช่ของเราก็ซ่อมแล้วถ้าเราไม่มีเงินซ่อมไม่มีเงินซ่อมก็ยังไม่ต้องซ่อมไงก็มีเมื่อไหร่ก็ซ่อมไงจะไปเดือดร้อนทำไมล่ะเออแ้วมันจะทุกตอนไหนอะไม่รู้ไม่มีให้ทุกแล้วทุกทำไมอะ ผมก็เลยสงสัยว่าคนทุกทำไมตามเยึดปัจใจแต่เพราะความไม่รู้ก็รลงปุุงแต่งแสวงาสิ่งเหล่านั้นวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิบสองอัตาการแห่งทุกข์ที่คนส่วนใหญ่ยังยึดติด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 เพรสิ่งต่างๆอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นจึงคงที่อยู่ไม่ได้เรียกว่าทุกขลักษณะแต่ไม่มีผู้ทุกข์นี่แหละสิ่งต่างๆอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเป็นทุกขลักษณะแต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่มีความไม่รู้ไปยึดมันมาเลยทุก การเคลื่อนไหวในกระแสะของธรรมชาตินั้นมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อกันอย่างละเอียดซับซ้อนรูปปัจจัยอันหลากหลายการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเซี่ยวของอุณภูมิจะเปลี่ยนแปลงรูปนามทั้งโลกทั้งจักรวาลความดีความเลวของคนหนึ่งคนหรือหลายคนจะริ่มรวมกันเป็นพลังงานคนเลวหนึ่งคนจะส่งพลังงานต่อไปถึงคนอื่นๆดีหนึ่งคนก็จะส่งไป ถ้าหากพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกโลกจะเย็นลงเยอะเลยเมื่อพระอาหารหันต์หมดไปน้อยคนก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะส่งผลต่อดินฟ้าอากาศทั้งหมดเมื่อใครเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงทั้งหมดจะเห็นว่าทุกอย่างกระทบกันหมดเลยกระทบกันเป็นโยงใหญ่ทั้งหมดที่เราหน้าตาอย่างนี้ผิวพรรณอย่างนี้ผมแค่นี้อะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลย วันที่เจ้าตรัสในวันที่ผู้นำเป็นคนไม่ดีข้าบบดีจะเริ่มไม่ดีผู้คนจะเป็นคนไม่ดีมันจะลามลงมาเป็นชั้นๆจนกระทั่งไปถึงดินฟ้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงฝนจะตกไม่ต้องตามฤดูกาคือจะกระทบไปหมดทุกอย่างเลยแต่ยากไม่มีทางที่คนจะเห็นสีนี้เลยท่านเพียงแต่ตรัสถิงไว้ เชื่อมต่อกันเป็นแพรรัศมีสู่ผลอันหลากหลายเมื่อมีสติตามสังเกตการทางานของกายและใจจะสามารถใช้เหตุปัจจัยอย่างถูกวิธีก็ถ้าเราเริ่มกลับมาสังเกตกายและใจสังเกตขันโดยใช้ฐานทั้งสี่คือจิตกายเวทนาจิตธรรมเราจะเริ่มเข้าใจความจริง ถึงวิสุทธิเจแล้วขั้นตอนในกลับในการกลับเข้าสู่มรรคผลนิพพานดูดีๆนะเพราะไม่มีใครหนีปัสสาะทางอายตนะต่างๆได้เมื่อเกิดการกระทบรู้เท่าท่าใจก็ปกติเรียกว่าสิ่งวิสุทธิเพราะไม่มีใครสามารถหนีปัสสาะทางอายตนะได้ถูกไหมครับเราโดนปัสสาะกระทบตลอดเวลาเดี๋ยวออกไปยิ่งเจอน่ากว่านี้ มีสติคอยดูแลใจไม่เคลื่อนไหวเรียกว่าศีลวิสุทธิจิตจึงตั้งมั่นไม่ถูกครอบงาด้วยอกุศลเรียกว่าจิตตวิสุทธิเมื่อศีลวิสุทธิจิตก็วิสุทธิขึ้นมานะครับตั้งมั่นขึ้นมาไม่เจือปนด้วยอกุศล ถ้าท่านมีอะไรกระทบทางอายตนะหรือผัสสะใจเคลื่อนไหวไหมครับเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นไม่ใช่สีเพราะวิสุทธิฝึกไปจนกระทั่งไม่เคลื่อนไหวเลยกระทบปัง้งเงียบปัง้งเงียบใครดา่าปั้บสติระลึกจนกระทั่งไม่ระลึกอล้จะระลึกก่อนเออมันต้องระลึกก่อนช่วงนี้นยังระลึกก่อนนะแต่ว่าไม่ขยับเลยตอนนี้ไม่ขยับพอจิตตั้งมั่นเสร็จแล้วก็ เกิด ค, ความเห็นถูกของรูปนามตางว่าเป็นจริงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทเห็นรูปนามตามความเป็นจริงหมดละอะไรอะไรก็เป็นรูปนามไม่รู้จะโกรธใครแล้วเขาทําก็เพราะมีแรงบีบคั้นจากข้างในเห็นรูปนามตามความเป็นจริงทําอะไรก็มีแต่เห็นใจคนอื่นนะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดคนทุกคนคือคนคนเดียวกัน าตามความเป็นจริงท่านก็พยายามสื่อว่าตอนนี้จิตกําลังทวนกลับกําลังทวนกลับเข้าสู่ธรรมชาติเดิมแท้และเห็นปัจจัยของรูปแนวา น, าน์จนหายสงสัยเรียกว่าคำขาวิตรณะวิสุทธิหมดข้อสงสัยในรูปนามเข้าใจหมดลตั้งแต่ระดับอนูจนถึงอย่างนี้จนถึงจักรวาลเห็นหมดล่ะไม่มีข้อสงสัยหมดข้อสงสัยใดๆ หมดวิกิติฉาโดยสิ้นเชิงกัางขาตะลดาวิสสามารถเลือกกุมมองอย่างถูกวิธีของสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปแลหลาเรียกว่ามัคขามัคคะยานทศนะวิสุทธิ์ผมถึงบอกว่ายานทศนะตัวเนี้ยที่เปิดให้ดูตอนสมาธิภาวนาสีสมาธิจะทำให้เกิดยานทศนะคือมุมมองที่ถูกต้อง เมื่อท่านยืนอยู่ในมุมมองที่ถูกต้องเนี่ยท่านไม่ต้องคิดเหมือนธาตุปัจเจเวศเนี่ยเราต้องคิดว่าเอ๊ทาไมศักแต่ว่าธาตุธรรมธรรมชาติเราต้องคิดให้ทุกอย่างเป็นธาตุธรรมชาติซึ่งความจริงไม่ใช่ผมจะบอกเคล็ดลับไปเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจากดิ์ว่าธาตุตามธรรมชาติท่านพยายามมองให้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติหยุดการปรุงแต่งมันจะกลับไปเป็นธาตุหยุดการปรุงแต่งที่จิตทุกอย่างเป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่แล้วที่มันไม่เป็นเพราะจิตไปปรุง หยุดที่จิตทุกอย่างมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นท่าตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันไม่เป็นเพราะจิตมันปรุงนึกออกหรือยังว่าทำไมหลวงพ่อบอกว่าขี่วัวไปหาวัวเป็นลักษณะความเกิดดับในขันห้ายอมรับความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลางเรียกว่าปฏิปทา ยานทศนิสุขก็เห็นการเกิดดับของกันท่าตามปกติไม่มีอะไรแล้วก็เนี่ยมันไม่มีอะไรจะสงสัยจิตจึงไม่ปนเปื้อนด้วยตัณหาและการหลงคิดปรุงแต่งทวนเข้าสู่กระแสธรรมชาติเดิมที่บริสุทธิ์ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วคือซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วอรหัตธรรมัตจึงไม่เชื่อมโยง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 ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้นะครับคำเพาะเพราะจากหลวงพ่ออำนาจ น, นะครับได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เลยคนเนี่ยนะจำคำ ข, ของท่านไว้นะครับอาจพูดทุกใจทําเองได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้คือความทุกข์มีสติปัญญารู้จึงเลือกสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุข เสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียเลยสันติสุขธรรมชาติเดิมแท้ที่สงบเย็นจึงหายไปหมดจากความไม่รู้สร้างการปรุงแต่งขึ้นมาปิดทั้งหมดเลยเอา่านบทนากับพระจานย์ำนำนาโทภาโส ค, ครับ จบตรงนี้เนาะวันนี้เมื่อกี้บอกกับปรอบบอกวันนี้จะปล่อยเร็วหน่อยกลายเป็นหนักเลยไม่น่าเปิดเลยอระราหังสัมมาสัมพุทโธพกวาวุฒังพักขวันตังอภพิวาเทมิ สวาค้าโตภาควะตาธรรมโมธงรมนามาสามีสุปฏิปันโนภาควาโตสาวก้าสรงโคสรงขังนามามิ